ต้องกับเรียนท่านเ็ขทฤษีท่านแจ่บุญคูอ่อ่านจุลธรรมนำใจแล้วก็เลยส่งเงินมาถวายสองพันบาทจริงๆลูกต้องถวายท่านแต่ท่านท่านสบายีรังใหญ่นั่นจะดีเป็นเครื่องกัะถิน่นรีบมาก่ <c oughs> าเพราะวันนี้รถว่างค่ะ ก็เป็นของหมู่คณะทั้งหมดเป็นของกระถินวัดร่วมร่วมกระถินวัดยานค่ะถวายไว้ก่อนเปนอะไรจัพิงเตอร์เป็นเครื่องกระถิ่นทั้งหดอ๋อเป็นเครื่องะกล่องเป็นกรเป็นพิงเตอร์พิงเตอร์ของท่านต้องอ๋อไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องทีการจัดเรียต้องเดี๋ยวพี่สิทธิครับ เช้าแรงท้าคณะไบ่าไตามเลสิบกว่าคน โอเคทักคณะลูกค่ะเเห็นว่าเขาไม่ค่อยมีโอกาสนะคณะที่มาจากเบงชันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็กลับไปก็กล่าวขวัญกันมากมายถึงเรื่องมรรมะที่ท่านอาจารย์ให้อหละครับได้ได้อ่านได้ฟังแล้วใช่หมทั้ห็นยจ้ะค่ะ มีเสียงอู้อูอ้อยู่เครื่องอัดมันไม่ค่อยดีอะไรค่องอมันไม่ไม่ทางสบายเนยี้ยเลยส่งงไปให้คุณเอือ้อมพรถอดที่เป็นปลาเก๋นเยนั่นเองค่ะ อันของของเพนของแดงก็บอกแดงก็อัดไว้เหมือนกันอันอันนั้นเดี๋ยวลูกจะลองส่งฝ่ายให้ท่านอาจารย์ได้ว่าในกันนี่เหลืแนไหมะ่ลูกฝังแล้วมีกี่ขอมให้ท่านอาจารย์นค่ทานของที่กาวนั่นอืมแตไม่ทราบว่าท่า่อาจารจะให้รอรวมก่อนดีกว่าแต่ลูกก็ออาแต่ละอันทั้งเท่านอาจไม่อันอันของผมที่ที่ทํารกีเนี้ยอันของผมอ่ะอันนี้ดีกวาาที อันนี้สิมันอัดจไม่ได้ใช่ไหมอันนี้อาจจะเติมได้ไไม่ได้หรอรีไลน์น่เปล่าแต่แต่เวลาที่อัดก็บอกไว้ว่าให้ให้แอรไฟได้แต่โดมากบางทีมันไม่ค่อยไม่ค่อเวิร์เพราะมันมันเป็นแผ่นที่เขียนได้หนึ่งเดียวมันบางทีมันบางทีมันแอรได้แตมันแอได้ต้องใช้ W ชอยู่ที่ว่าตอนที่เราไลนนี่มันไฟประตูไฟนั้ไลมาแล้วมันจะไม่ลับไม่ได้อีกไม่ใช่อยู่ที่ตัวแผ่นนี้ใช่ไหมครับแผ่นมันแผ่นมีสองเส้นนี่ไแผ่นที่เขียนได้หนเดียวกับเขียนซ้ำได้ถ้าเขียนซ้ำได้ต้องต้องมีตัว W อยู่ารทไ่หั้ก็ยังไงก็ต้องทำกันดีแล้วก็ทำ การของคุณงแดงคือ่อเสียงดีกว่าจะได้อยู่ในเครื่องนี้แหละครับอยู่ในเครื่องนี้เราคืงให้มาไม่รู้น่ไม่รู้พม่ต้อไม่ร้อนไม่ร้อนร้อนเลยเพลงะดง่างคุณย่ในเครื่องเไม่้เพราะว่าพอดีไม่ทราบคุณแดงจะมีเครื่องอัดนางมีเครื่องอัดเก่าอยู่อย่เง้ยลองเอามาอัดดูก็พอฟังได้แต่พอดีที่ฟังในเว็บมันถูกดีัดมันไปจากสามถึงสองเหลือแค่ห้า มันอาจถูบีบลงไปหกเท่าแต่ถ้าฟังในเครื่องเองก็ใสชัดเลยแล้วก็ทีมันไม่ได้เป็นไฟเอ็นพีสาม <Okay. S 1> ต้องแปลงมันเป็นเอ็นพีแปลงไปแล้วนะคะแล้วลองฟังก็รู้สึกว่ามั น, ม, นมันก็ชัดขึ้นหน่อยทุกแปะที่ที่แกกเพื่อนๆไปก็แปลงแล้วะ ค, ะคือเจตนาคืออยากจะให้ฟังเพื่อถอดฉะนั้นถ้าถอดได้ก็โอเคค <Okay. S 1> ถ้า ที่ว่าถ้าถอนไม่ได้ก็อาจจะต้องเอาเอาต้องเอาฟลายต้องฉบับไปแต่ฟังได้ใช่ไหมฟั้ได้เอาฟังได้เริ่มกันิดนึ่ถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องฟังก็บอกบอกมาแล้วจะจะจะเขียนแผ่นไปฝากพินอลไปให้ก็ได้ทั้งสองการเนี่ยที่การของด้าชาติกการของภาษาอังกฤษโอเคว่าที่ ที่ฟังอยู่นะั้นมันฟังไม่ไม่ค่อยชัด <Okay. S 2> อยากจะได้เงที่ดีแบบนี้ก็จ <Okay. S 2> ะฝากา <Okay. S 2> คุณแม่เขาจะเมื่อก่นเขาไปเอาหนังสือที่ที่เครับเขาบอกว่าคุณคุณตรวจให้ให้เขาแล้วเขาธรรมดาก็เคยสั่งรูปไว้ว่าสิบคือขอสิบเล่มฟังกับคอมพิวเตอร์ชัดกว่าชัดกว่าเครืนง่น ถ้าฟังหูฝาะว่าชัดะถ้าฟั้วยลำโพงในบางทีมันไม่ชัดเท่าไหร่แลวลูกทำสติกระทำสักตายี่สิบชุดแล้วภาษาไทยมาห้าสิบชุดค่ะว่าเพื่อนๆอยากได้สนใจอันนี้เป็นเป็นเหมือนคู่มือปฏิบัติถ้ามันไม่เปิดเป็นไรไม่ได้ยินค่ะแดงแดงเปิดไม่ทั้งันจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยค่ะ ไม่ยินเสียงว่าโุ่นได้ยินไม่ได้ยินจะเลิ่มโมโหรึ่ง <c oughs> ถ้าถ้าอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรนี้เข้าใจก็จะในคู่มือของการปฏิบัติบางทีมันก็ไม่ยากอะไรมันยากที่จะปฏิบัติเอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่่คยปฏิบัตไม่ได้ผ่านแต่ละข้อขอข้อหลักก็คือให้มีมีสติรู้อยู่กับตัวตลอดเวลาท่านนั่นเองไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้รู้อยู่กับการกระทำนั้น่ใจเรามัน มันชอบสวิตสวัวัดไปทงโน้นทีวัดมาทางนี้ทีไม่ไม่ชอบอยู่กับตัวไม่ชอบอยู่กับที่กายอยู่ตรงนี้แต่ใงไม่รู้ไปที่ไหนบางก็ไปเรื่องรน้นเรื่องนี้มันยากก็ยากตรงนี้เองถ้าเราสามารถดึงใจให้อยู่กับกับตัวเราได้ลตลอดเราก็จะมีเครื่องมือควบคุมใจ ถ้าเราควบคุมใจได้มันก็ปัดปัญหาไปได้มากใจก็เป็นเหมือนกับม้าคนขี่ก็เหมือนกับสติครับเราถ้าเราบังคับม้าให้หยุดได้ให้วิ่งได้ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไแต่ถ้าเราบังคับไม่ได้ม้ามันจะเดินไปตามใจของมันตามความต้องการของมัน บางทีมันก็เดินดูเข้าไปในโพรงน้ำคนขี่ก็โดนน้ำขูดใจใดใจก็เหมือนกันมาระดมมันโกรธมันก็ไปเลยมันก็มันก็หลุดเลยทำอะไร <c oughs> มืนคนเสียสติคนบ้าเลยแล้วก็เกิดความเสียหายต่างๆตามมาหรือไม่เช่นนั้นก็ไปทำเรื่องที่ไม่ถูกศีลถูกทํา แล้วก็มีเรื่องเวลาวุ่นวายไปหมดพรใจไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของสติของผู้ผู้รู้คิอใจนี่เป็นผู้รู้ด้วยแล้วก็เป็นตัวกระทนด้วยแต่ตัวเองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะไม่เคยฝึกไม่รู้ว่าการฝึกสติควบคุมใจ ตนเองนั้นจะนำประโยชน์มาอย่างยิ่งเพราะอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาความไม่รู้ใจจริงชอบทำอะไรตามอารมณ์ไม่ชอบทำอะไรตามเหตุผลถ้าอะไรถู ก, กถูกใจแล้วถือว่าดีถือแม้คนอื่นจะมาทักอย่างไรมาท้วงอย่างไรว่าอย่าทานะทแล้วจะเกิดความเสียหาย เช่นลูกๆของเราเนี่ยเด็กๆเนี่ยมันจะถูกอารมณ์ครอบงำอยากจะชอบทําอะไรตามอารมณ์ของตัวเองเพอแม่เคยมีประสบการณ์ผาน ม, มาแล้วรู้ดีรู้เชื่อก็อยากจะให้ลูกอยู่ในธรนองครองธรรมอยู่ในการกระทํ า, ท, าที่เกิดคุณเกิดไปอยู่เช่นอยากจะให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆอยากจะไม่อยากจะให้ลูกเล่นมากจนเกินไป ดูโทรทัศน์มากจนเกินไปเที่ยวมากจนเกินไปแต่อารมณ์ของของเด็กมันถูกความอยากเหล่านี้ครอบงำอยู่ชอบเที่ยวชอบเล่นชอบสนุกสนานเฮฮาไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบเรียนหนังสือพ่อแม่ก็เลยหนักหนักใจก็ไม่รู้จะทําอย่างไง ถ้ามีธรรมะแล้วสามารถสอนให้ลูกปฏิบัติตามตามแนวพวามหาปฏิปทานสื่อได้คือสอนให้ลูกัมีสติคอควบคุมอารมณ์ของตนให้ใช้เหตุใช่ผลก่อนจะทำคิดก่อนว่าการกระทำที่ทำนี้จะเกิดคุณหรือเกิดโทษอย่างไรถ้าเกิดโทษก็ ห้ามจิตใจยอยากไปทำล้วเกิดคุณเกิดประโยชน์ก็ทำไปเลยดังแั้พ่อแม่ก็ต้องสอนลูกด้วยเหตุด้วยผลแต่บางทีพ่อแม่ก็สอนด้วยอารมณ์มันก็เลยยิ่งทำให้เป็นปัญหาขึ้นมาเพราะอารมณ์ต่ออารมณ์จะรับกันไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างมีทิฏฐิ ด, ด้วยกันอารมณ์ของฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าดีอารมณ์ของฝ่ายหนึ่งก็ว่าไม่ดี วัยที่สอนก็บอกว่าต้องเชื่อฟังหน้าพ่อเพรารู้มากกว่าแอ่ออารมณ์มันไม่ยอมรับอารมณ์ของเด็กไม่ยอมรับต้องให้เห็นเหตุเห็นผลจริงๆให้เห็นโทษจริงๆทีนี้บางอย่างมันก็ยากที่จะให้เขาเห็นให้เห็นได้ทันทันทีทันใด บางทีก็ต้องใช้มาตรการผดดิบการคือต้องมีกฎอายการสึก บ, บังคับมีการลงโทษคือบางทีเด็กจะไปสอนด้วยเหตุผลตามลาพังเด็กยังไม่ไม่รับถ้ายังอยู่ในในวัยที่สามารถควบคุมบังคับได้โดยกฎ้วยกระเบียบก็ต้องใช้กฎระเบียบห้าม ถ้ายางฝืนทำก็ต้องมีการลงโทษ <c oughs> เด็กบางคนก็ห้ามยังไงก็ไม่เชื่อพ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาที่จะลงโทษได้บางทีต้องไปให้ตำรวจมาจับไปให้ตำรวจจับไปแล้วก็จับไปอยู่โรงเรียนดัดาำดามีอยู่รายหนึ่งโลูก พ่อแม่ห้ามยังไงก็ไม่เชื่อไม่ชอบไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบทำงานชอบเอาเพื่อนมาเริ่มการทำงานกินเหล้ากันในบ้านเล่นกันในบ้านหลวงพ่อแม่ต้องอาศัยตำรวจให้ตำรวจมาจับไปเลยแล้วก็ส่งไปโรงเรียนดับสันดานมีโรงเรียนของลูกศิษย์ของคาสุดเข้าที่บานทบุรี ที่เขารับเด็กที่แบบว่าไม่ไม่เอาไหนเนี่ยไปอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบแต่ให้ไปเรียนหนังสือนะให้เรียนหนังสือแล้วก็มีกฎอะไรเข้มข้นมากไม่ให้กลับบ้านเยี่ยมบ้านนะพ่อแม่ไปเยี่ยมได้เดินครข้งเลยอะไรงนงี้พออยู่ได้สักพักหนึ่งก็ดีขึ้น พราเด็กบางทีต้องต้องมีประสบการณ์ทางเห็นโทษถึงจะเห็นโทษและอ่อเนี่ยทำไปแล้วต้องรับผลอย่างนี้ <c oughs> แต่ถ้าเราสามารถวาดภาพให้ลูกเได้ว่า ถ้าทำอย่างนี้ต่อไปอนาคตจะเป็นอย่างนี้ถ้าเขาเห็นแล้วเขาเชื่อแล้วเขาปฏิบตัติาได้ก็ดีไปถ้าเขาไม่เชื่อก็ต้องใช้ใ ช, ใ ช, ใช้ใช้มาตรการ <c oughs> การลงโทษใช้กดระเดียบแล้วถ้ายัางยังทันยัง ยังยังห้ามตามไม่ได้ก็ต้องอาศัยทั้นที่อำนวน <c oughs> <c oughs> แต่พ่อแม่บางคนก็ใจอ่อนทำไม่ลงนะรักลูกกลัวลูกจะโกรธจะเกลียดกลัวจะจะจะขาดกันขาดจากการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ที่ใจเป็นหลักของของเด็กใจของเด็กนั้นมีอวิชชาโมหะตัญหามากยู่มีความโลมโมตทสัมมากนะที่เป็นเหมือนกับเมฆที่มันปกคุมหุ้มห่อใจจนแสงสว่างของของเหตุผลของธรรมะเข้ามาไม่ถึง พูดอธิบายอะไรด้วยเหตุด้วยผลก็ก็ไม่ชอบไม่ถูกอารมณ์ไม่ยอมฟังแต่ถ้าพ่อแม่มีความแน่วแน่มีความกล้าหาญไม่กลัวว่าลูกจะโกรธจะเกลียดอย่างไรเชื่อว่าทำเพื่อลูกจริงๆแล้วก็ต้องใช้มาตรการเข้มงวดสวดขัน โลกก็จะยอมว่าจะจะเห็นคุณต่าอไปไม่ต้องกลัวหรอก <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เราทํานั้นทําเพื่อให้เขาได้เห็นคุณเห็นโทษให้เขาจะลาดขึ้นแล้วพอเขาโตเป็นเขาก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราทํานี้ทําเพื่อเขา แม้เขาจะไม่ชอบวัน แ, แลทุกคนชอบทำอะไรตามสบายใจของตวถ้า้องถูกบังคับแล้วจะโกจะเกลียนคนที่มาบังคับเราแต่ถ้าเราโตขึ้นหรือเราพัฒนาทางด้านสติปัญญาขึ้นไปัวันหนึ่งเราก็ย้อนกลับไปดูเราก็จะเราก็จะเข้าใจ ท่านไปอยู่วัดกับครูบาอาจารย์ก็แบบเดียวกันท่านแค่ม้วนตัวแข็งมากมจนดูเหมือนกับว่าท่านจะโหดร้ายทารุณเป็นเฤ็ิการแต่ท่านมีความมั่นใจในในมาตรการของท่านในสิ่งที่ท่านอบรมสั่งสอนว่เป็นทางที่ถูกต้องดีงามที่สุดเราไปหาท่านก็ไปเพื่อที่จะไปรับสิ่งเหล่านี้จากท่าน แต่กิเล ข, ของเรามันก็ยังชอบมาดึงให้ลากให้เราไปอีกทางซึ่งไปไปไปชนกับมาตรการที่ดีงามของของท่านถ้าท่านทราบท่านก็ต้องท่านก็ต้องตักตักเตือนแล้วถ้ายังฝืนท่านก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาด เช่นวัดป่าลันตาท่านห้ามห้ามทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันก็ถือว่าผิดด้วยกันทั้งคู่ที่วัดป่าลันตาจะไม่มีศาลตัดสินว่าใครผิดใครถูกถ้าใครถ้าใครมาฟ้องก็ไปเลยไปด้วยกันทั้งคู่ทั้งคนฟ้องทั้งคนถูกฟ้องทีของการทะเลาะกันมันมันมันเสียหายมันเกิดจากทิฏฐิ ทำไเออ้ยอมกันในสมัยพุทธกาลก็ทำให้สงแตกแยกเป็นสองสว่วนแม้พระพุทธเจา้าจะทรงห้ามก็ไม่ฟังเป็นเหตุให้พุทธเจา้าต้องอยู่จำบรญชาอยู่กับอยู่ตามลำพังมีช้างกับเิงมาอุปถัมภ์ชาวบ้านไม่ทราบว่าทำไมพระพุทธเจา้าจึงไปปิดเว้อเออยู่องเดียวก็ส่งสายเข้าไปสืบก็ได้ทราบว่า สงแต่แยกกันแล้วพระพุทธเจ้าส่งห้ามว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ไม่ให้ไม่ใหไ้ไม่ให้ทะเลาะกันให้ยอมกันให้ยอมด้วยเหตุด้วยผลแต่ต่างฝ่ายต่างเคื่อนไหตอนเลงถูกก็เลยไม่สามารถที่จะปกป้องได้ก็เลยไม่ทาาราบว่าจะอยู่ไปทําไมเมือนโซนแยกโลกัน พอชาวบ้านทราบขาวก็เลยรถใส่บาตรพระแต่เินตบาบาทกแไม่มีใครใส่บาตรพอพระไม่มีข้าวกินแล้วน้ำสำนึกผิดนะต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้ลงโทษก็เลยไปขอขมาขอให้พวกเจ้าสมเก็จบมาอยู่ทามสตสารรายละเอียดจะเป็นยังไงไม่ทราบนะแต่เท่าที่ฟัรก ฟั า, าแบบฟังปากต่อปากไม่ได้อารจากในหนังสือโดยตรงแต่ประเด็นสําคัญก็คือเรื่องความสามารถขีของของของหมู่สงของหมู่คนนไม่ว่าจะเป็นสงหรือเป็นใครว่าความสามารถขีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากอยู่ร่วมกันต้องต้องไม่แตกแยกกัน ถึงแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันมีการกระทําที่แตกต่างกันก็ขอให้สงวนความแตกต่างไว้ให้ประสานความเหมือนสิ่งที่เรามีความไม่เห็นตรงกันเราก็เก็บไว้ในใจเราเท่ากันสิ่งที่เราต้องทําเหมือนกันเพื่อให้อยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุดเราก็ทําอย่างนั้นไปถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยแล้ว เ, เราไม่ชอบด้วยหรือไม่ชอบก็ตาม แต่ถ้าเราอยู่ในสังคมนั้นเขาทำกันอย่างนั้นเราก็ต้องทำตามถ้าเราไปทะเลาะวิวาสกันมันก็ทำให้สังคมนั้นเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าสังคมใหญ่ก็ของประเทศชาติเลยที่ผ่านมาเราก็เห็นนะว่าเป็นง่อไงพอเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันแยกเป็นสองฝาักสองฝ่าย การเมือก็กำลังก็จะเดินไปสู่ความหายนะถ้าไม่มีการมา ม, ม, มาตรการยับยัง้งก็อาจจะเกิดสงครามกลารเมืองขึ้นมาก็ได้ต่อไปประเทศบางประเทศในประวัติศาสตร์เขาเขาก็มีปัญหาเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันจะนำไปสู่งสงครามกลางเมืองแล้วก็ท่ากันเอง คนในประเทศชาติเดียวกันท่ากันเองแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ให้เห็นในหน้าในถท้านะหนันงสือพิมต่างต่างศาสนาต่างนิกายดังนั้นพอใครมาพูดเรื่องนิกายของพุทธศาสนานี้ต้องรีบตัดไปเลยบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเป็นพระเหมือนกันมีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เหมือนกัน มันต่างมาเพราะมันอาจจะมีความคิดความเห็นของของของออะไรของผู้ที่เขาแก่กว่าเราเขามีความเห็นต่างกันแล้วเขาแยกกันออกมาเราเป็นเหมือนลูกเราเกิดมาอยู่ในสายไหนมีการไหนเราก็อยู่ในสายนั้นมีการนั้นไปแต่ถ้าเราเห็นว่า สายที่เราอยู่นั้นมันไม่ไม่ดีนั้นไม่ถูกต้องเราก็ย้ายได้เช่นมีพระที่ท่านยัติเช่นในสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านอยู่ในสายหนึ่งแล้วท่านมีความเคารพในธรรมวินัยมากปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วมีพระบางรูปที่อยู่อีกสายหนึ่งที่เขาปฏิบัติไม่เคร่งครัดเท่าเขาก็เกิดความเลื่อนสายใน ในหลวงถู่มา่อยากจะเป็นลูกสิอยากจะศึกาษาปฏิบัติกับท่านเขาก็ไปเขาก็เขาเรียกว่าทำยัตติกันเปลี่ยนจากนิการไปนิกา ย, กายเขาก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกับบวชใหม่ถึงแม้เคยบวชมา 10, สาิบยี่สิบรษาถ้าไปทำยัตติก็ต้องนับหนึ่งใหม่ แต่เองก็ไม่ถือเรื่องอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญอะไรเพราะว่าผู้บวชที่บวชเพื่อธรรมะจริงๆไม่ได้บวชเพื่อพรรษาไม่ได้บวชเพื่ออุโซบวชมานานแล้วบวชนานแต่เป็นบวชแบบทักทีในหม้ อ, อกแกงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้สู้บวชแบบดินกับแกงดีกว่าสัมผัสธรรมะรับรู้ธรรมะปรากฏเป็นธรรมะขึ้นมาในใจกิเลส ลมหายตายจากฟังในใจลงที่ทันใดถ้าบวชแบบนั้นแม้จะเป็นผู้บวชใหม่ก็มีศักดิ์ศรีมากกว่าผู้ที่บวชมานานแต่ไม่ได้สัมผัสกับธรรมในใจเลยถ้าเป็นบวชแบบพระพิโรจน์อกแก่ดังนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญต่อต่อการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติจะเป็นเห็นที่จะทําให้เราได้สัมผัสกับธรรมะการได้ยินได้ฟังอย่างเดียวอย่างไม่พอเพียงเหมือนกับการรับยามาจากหมอแต่ไม่ได้เอายาที่หมอให้มารับประทานโรคภัยค่าเจ็บที่เรามีอยู่ก็จะไม่หายเพราะยายัางไม่ได้เข้าไปในร่างกาย ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังไม่นำเอามาปฏิบัติจับกายวาจาใจก็ยังไม่เกิดประโยชน์เป็นเหมือนกับยาที่ยังไม่ได้รับประทานฟังไปอี่ครั้งมากน้อยเพียงไรถ้าไม่น้อมเอาเข้ามาโอปัญญายุโกเข้ามาปฏิบัติจับกายวาจาใจก็ยังเป็นธรรมะภายนอกเียว ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับกัญญาภายนอกยังไม่ได้เข้าสู่ร่างกายเพรนั้นไม่ว่าเราได้ยินได้ฟังอะไรเราต้องน้อมเอามาปฏิบัติกับกายวา ง, าจางใจของเราเช่นเรื่องการให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องพยายามฝึกทำให้ได้ถ้าเราทำได้แล้วเราจะเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นผลที่เกิดขึ้นจาก การมีสติเพราะสตินี้สามารถารางับดับอารมณ์ต่างๆได้แต่อาจจะไม่ได้อย่างถาวรแต่อย่างน้อยก็ตัดมันเป็นพักๆไปไม่ให้มันต่อลามเป็นลูกโซ่พอเรามีสติเ่อนมีอารมณ์ปั๊บเรารู้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีระับอารมณ์นั้นเราก็ใช้ การเบีเ่ยงเบงไปก่อนก็นได้เช่นเราคิดถึงเรื่องอะไรแล้วทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเรารู้ว่าอารมณ์นี้ไม่ดีแล้วก็หันไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะแล้วมันใจเย็นถ้าถ้าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้จักคิดว่าเรื่องธรรมะเรื่องไหนก็เช่นเพีย ง, งแต่แเราเลือกชื่อของพระพุทธเจ้าไปสอน บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเกิดอารมณ์เช่นเรากำลังมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งน่าจะเกิดความโกรธเกลียดชังขึ้นมาเราก็หันมาบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปผ่ายในใจหรือจะสวดมนต์บทได้บทนงิก็ได้ แต่ต้องสวดแบบไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นสวดไปสักระ ย, ยะหนึ่งแล้เดี๋ยวกำลังของใจที่อยากจะไปคิดถึงเรื่องเรื่องนั้นเหมือนก็จะอ่อนตัวลงแล้วมันก็จะหายไปพอหายไปแล้วความอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการคิดเรื่องนั้นเหมือนก็จะหายไปใจของเราก็กลับมาอยู่ปกติ เมื่อเมื่อายเป็นปกติคิดอะไรก็จะเป็นเหตุคิดด้วยเหตุด้วยผลก็ยอมรับได้ก็จะคิดว่าอะเขามีความเห็นอย่างหนึ่งเขาชอบทําอย่างนี้เราไม่ชอบทําอย่างนี้แต่จะทำอย่างไรได้เขาเป็นเขาเราเป็นเราเราไปบังคับให้เขาทําตามใจของเราไม่ได้เมื่อเขาอยากจะทําก็ก็ทําไป ถ้ยังต้องอยู่ด้วยกันก็ก็ตามฝ่ากันอยู่กันไปแต่ถ้าคิดว่าอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่เจริญคนาชาวชาติอื่นสุรายา ม, มาดึงแลก็มาอาละวาทุบตีก็อยู่ไปทาํามอยู่อย่างนี้ไม่เจริญก็แยกทางกันดีกว่าถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลไปก็สามารถที่จะแก้ปัญหาไปไนดะ้ ถ้าเรามีเห็นมีผลเราจะช่างน้ำหนักของของคุณของโทษของการกระทําของเราว่าเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วจะได้จะเสียมากน้อยยังไงถ้าทาแล้วมันได้มากกว่าเสียก็ทำไปถ้าทํแล้วมันเสียมากกว่าได้ก็อย่าพึ่งทำมดทนไว้ก่อนเช่นถ้าแยกทางกับเขาแล้วเรากลับแย่ลงกพเราอาจะต้องอาศัยเข้าในเรื่องการส่งเสีย สนับสนุนทำได้ร า, ายรับรายจ่ายอะไรต่างๆถ้าแยกทางกับเขาแล้วเราไม่มีรายได้เลยอย่างนี้เราก็อาจจะเสียประโยชน์มากกว่าหน้าระโยชน์ก็ก็ทนอยู่ไปไปก่อนจนกว่าเราจะหายุธีสร้างรายได้ให้กับเราได้จนที่เราไม่ต้องอาศัยรายได้จากเขาเราก็ค่อยเสกูุดบาย goodbye. ไาแยกทาขึ clothes, ้นไปนี่คือเรื่องของเหตุผลเหตุผลนี้จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้แต่อารมณ์นี้แก้ไม่ได้ไม่ว่ากับใครก็ตามกับลูกเราก็เหมือนกันจะใช้อารมณ์อย่างเดียวถ้าอารมณ์นี้มีแก้ปัญหาไม่จบ เราอยากจะให้ลูกเราดีแต่ลูกเราไม่ดีเราก็ต้องสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็มาคิดว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เราก็พยายามสอนเขาอย่างเต็มที่แล้วสนับสนุนเขาให้ทําในสิ่งที่ดีอย่างเต็มที่แล้วแต่เขาไม่ยอมทํา ถ้าเราส่งเสริมเขาต่อไปเขาก็เ้ากับส่งเสริมให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องยอมเราก็ต้องหยุดเขาจะเป็นอะไรก็ให้เขาเป็นไปตามตามเรื่องของเขาเป็นไปตามพินตามกรรมแต่เราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเขาเราจะคอยสนับสนุนคอยช่วยเขาในขณะที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ในในเรื่อง ที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่ถ้าส่งสียให้เขาไปเรียงสือเขาไม่ไปเขาจะเที่ยวจะเล่นเราไม่ต้องให้เงินเขาเที่ยวให้เขาเล่นเาบอกว่าถ้าจะเที่ยวจะเล่นก็ต้องไปหาเงินเองไปทำเองแล้วเราจะไม่เสียใจเพราะเราจะเราจะยอมรับความจริงว่านี่แหละคือบุญกรรเป็นอย่างนี้ เขาทำคุนทำกรรมของเขามาอย่างนี้ทำให้เขาเป็นคนแบบนี้เราจะเข้าใจคาว่าหลัดโลกมีกรรมเป็นกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเราไม่ได้ให้กำเนิดเขาคือตัวเขาเนี่ยมีอยู่สองส่วนใจกับกายส่วนที่เราให้กำเนิดเขาก็คือกายแต่ใจเขานี่เราไม่ได้เป็นผู้ให้กาเนิดคือ ใจที่ดีหรือเชื่อเนี่ยเกิดจากกรรมที่ดีหรือเชื่อทําให้เขาดีหรือชั่วเขาเขาเป็นเขามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเ ผ, ผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งของเขาเขาทําดีเขาก็จะได้สิ่งที่ดีเป็นที่พึ่งเขาทําไม่ดีเขาก็ได้สิ่งที่ไม่ดีเป็นที่พึ่ง ถ้าเราเข้าใจหลักธรรมนี้แนละ้วเราก็จะเราก็จะวางฝ่อยวางได้เราเป็นเพียงผู้ให้กำเนิดทางด้านร่างกานเหมือนสร้างบ้านให้เขาอยู่แต่เขาจะอาบ้านนั้นไปทำอย่างไรเราไม่ไปเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะจัดบ้านนั้นให้สวยงามน่าอยู่อย่างไรก็ได้โดยจะทำให้บ้านนั้นะกะปลวกรกลงดัง ไม่น่าอยู่เลยก็ได้เพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นเพียงผู้ให้บ้านเขาแล้วก็เป็นผู้แนะนําวิธีดูแลรักษาบ้านของเขาให้ดีให้อยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสแต่ถ้าเขาเขาทําไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่มีความสามารถเขามีบุญมีกรรมของตขามาอยานี้เขาทําได้แค่นี้ ก็เราถึงแม้จะเกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่เมื่อโตขึ้นแล้วก็มีความตกต่างกันบางคนก็จะเรินุ่งเรืองเก้านะบางคนก็กลายเป็นโจรไปไม่ได้มาจากพ่อจากแม่เพราะพ่อแม่ก็สอนเหมือนกันสอนให้ลูกเป็นคนดีเหมือนกันแต่กรรมของเขานั่นแหละเป็นตัวที่ มีอำนาจที่จะผลักนั่นให้เขาไปในทิศทางที่เขาได้สะสมมาถ้าเขาสะสมมาในทางทิศทางที่ไม่ดีเขากรมไม่ดีนี้ก็จะผลักให้เขาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปเพราะมันชินทำแล้วมันง่ายเหมือนคนที่เคยถนัดมือซา้ายมาเกิดเขาก็จะใช้มือซา้ายคนที่ถนัดมือขวา เขาก็จะใช้มือขวาออกไปเรื่อยๆแต่เปลี่ยนได้ถ้าเราเห็นว่าพฤติกรรมนี้ไม่ถูกไม่เกิดประโยชน์เช่นเราเห็นว่าใช้มือซ้ายแล้วสู้คนใช้มือขวาไม่ได้สมมตนะินี่ไม่ได้หมายความเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นว่าเออใช้มือขวาดีกว่ามือซ้ายก็หัดใช้มือขวาไปใหม่ก็อาจจะรู้สึกก็ายากรู้สึกว่าไม่ถนัด พอใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะถนัดขึ้นมาเองเช่นเดียวกับการทำความดีหรือการทำความเชื่อคนที่เคยทำความชื่อมาจะทำความชื่อง่ายพูดโกหกนี้เร็วสะดวกหยิบข้าวของของคนอื่นมาโดยที่ไม่ขอนอนุญาตมาก่อนเนี่ยเรียว่าทำได้ง่ายทำได้รวดเร็ว แต่ถ้าเรามาทราบในภายหลังว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีไม่เจริญแล้วเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะเจริญเราก็ต้องมาฝึกนิสัยใหม่เวลาพูดอะไรเราก็ต้องมมระมัดระวังต้องมีสติต้องมีปัญญาคอยกลยคอยตัดก ร, รองดูงว่าสิ่งที่เราพูดนั้นถูกผิดอย่างไรแล้วก็ พูดไปตามความจริงถ้าถ้าพูดไม่ได้ก็พูดเรื่องอื่นไปก็ได้หาเรื่องอื่นพูดไปหรือไม่อย่างนั้นก็อย่าไปพูดก็แล้วกันเราก็ไม่ต้องพูดต้นนะของของที่อื่นก็เช่นเดียวกันอย่าไปถือวิสาสะถ้าเราอยากจะได้อะไรเราต้องคิดก่อนว่าของของนี้ถ้าไม่ใช่ของเรานี้แสดงว่ามันต้องมีเจ้าของต้องมี ถ้าเราอยากจะได้เราก็ควรที่จะหาดูว่าเจ้าของอ ย, อยู่อยู่ที่ไหนแล้วขออนุญาตหรือขอซื้อจากเขาทำอะไรให้มันถูกต้องไปองค์เหล่านี้มันก็ฝึกทําได้เมื่อทําไปแล้วต่อไปมันก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อกลายเป็นนิสัยแล้วมันก็จะทําง่ายยัง ม, มีคาพูดว่าคนดีทําดีง่ายคนเชื่อทําดียาก คนด so ีทำเชื่วยากคนชื่วทำเชื่วงง่ายเพราะความเคยชินคนเชื่องยอมเคยชินกับความเชื่อทำเชื่วงง่ายคนดีเคยชินกับความดีการทำความดีก็ทำความดีง่ายดังนั้นชีวิตของเรานั้นก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่ทำดีละชื่วทำดีละบา แล้วก็กําจัดโลกกฎลงที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายของความทุกข์ของความชั่วทั้งหลายถ้าเรารู้ว่าเรายัางทําดีไม่ครบเราก็พยายามทําให้ครบขึ้นถ้าเรารู้ว่าเรายังมีการกระทําที่ไม่ดียังทำบาปอยู่เราก็ต้องพยายามตับมัน เรารู้ว่าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็ต้องพยายามกำจัดมันเหตุ <c oughs> แรกที่เราต้องมีในการกระทําสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องมีสติมัน่นคงต้องรู้ว่าเรากําลังทำอะไรกําลังพูดอะไรกําลังคิดอะไรเพราะมันจะนําไปสู่การกระทำทั้งสาทั้งสามประการทําดีละบาปกําจัดความโลภความโกรธความหลง พอคิดตั้มนี่เราถามตัวเองเลย ว, ว่าความคิดนี้มันนาไปสู่การทําความดีหรือเปล่านำไปสู่การละบาปหรือเปล่านำไปสู่การ ก, ากาําจัดความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าถ้าไม่มีสตินี่มันจะไปโดยธรรมชาติไปโดยอัตโนมัติไปตามนิสัยเห็นอะไรอยากได้ก็หยิบมาเลยโดยที่ไม่ตั้งมีการต่ายจองพอต้องพูดอะไรพอต้องพูดโกหกตั้นี่มันจะพูดไปทันที ก็ขาดสติแต่ถ้าฝึกสติแล้วสติไม่เช่เร็วกว่าความคิดมันจะแทนความคิดจะรู้เลยว่าจะคิดไปในทางโลกทางโกรธทางหลงจะคิดไปจะไปพูดจะไปทำในทางดีหรือไม่ดีอย่างไรก็จะสามารถที่จะควบคุมบังคับใจให้ไปในทางที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราไปได้ ไปในทางทำดีละบาปกำจัดโลภ ก, กดลงแล้วผลก็จะดีตามมาจิตใจของเราก็จะมีความร่มเย็นกันสุดความเจริญก็คือจิตใจเราสูงขึ้นจิตใจเราจะไกลจากอบายจากความเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นสัตวนะ์นรก จะอยู่จะเป็นมูสดเป็นเท่เป็นโถมเป็นพระอริยะเจ้านี่คือความเจริญที่แท้จริงต้องต้องเจริญที่จิตใจไม่ใช่เจริญที่ลาบยศสมรสสุดที่พวกเราถูกความหลงหลอกให้ไปเจริญกันเพราะความหลงหลอกให้เราเจริญลาบยศสมรสสุดจึงทำให้เราต้องทำบา ต้องกโกหกบา้าต้องทำในสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้องเพราะเราคิดว่าราบยศสาราสังกษุนี้เป็นสาระเป็นที่พึ่งของเราเราต้องมีสิ่งต้องมีราบยศสาร ser ser สังกษุถึงจะมีความสุขถึงจะเจริญเพราะทางโลกเขวาวัดกันด้วยราบยศสารสังกษุท่านนี้ได้เลื่อนตำแหน่งเขาก็ว่าอ๋อมนเจริญละ ไดนเดือนคันได้เงินเดือนเพิ่มอย่างนี้ก็าเรียกว่าเจริญมีเงินทอง ม, มากขึ้นมีคนช่รเสริญมีความสามารถที่จะหาความสุขจากทางลูกเสียงเ่็รลดผลท่าพระได้เช่นมีบ้านใหญ่โตมีรถราคาแพงแพงกินละกินอาหารราคาแพงแพงใส่เสื้อผ้าราคาแพงแพง นี่เขาคิดว่านี่เป็นการเจริญแต่ไม่เห็นว่าใจนี้อาจจะเสื่อมลงไปจากจากมนุษย์ไปเป็นเดราาัจฉานนึกเป็นเปรตแล้วก็ได้เพราะหาหาสิ่งเหลนี้มาด้วยความไม่ถูกศีลถูกธรรมไปเบียดเบียนเพื่ไปทําบาปทํากรรมใจนี้ตกต่ําแต่ราบยศรเสรียนสุขนี่เจริญมีมากขึ้นเพราะว่า ไม่มีธรรมะมองไม่เห็นใจมองไม่เห็นตัวที่ต้องรับผลของการกระทําก็คือใจดังนั้นเราจึงต้องฝึกสติเอาเอาพอ า, อาพศเนี่ยพระมาสติปัฏฐานสูตรนี่ลองไปอ่านดูแล้วลองเอาไปปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติได้ เชื่อได้ว่าจะเห็นผลแตกต่างในชีวิตของเราเลยถึงแม้ท่านจะแสดงให้กับพระพิสุทก็ตามแตก่ก็ไม่ได้หมายความว่าคารวะจะนำา อ, อกไปปฏิบัติไม่ได้เพราะคารวะกับพระพิสุทก็เป็นคนเหมือนกันมีร่างกายมีใจเหมือนกันต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องพัฒนาเหมือนกัน ตางตรงที่ว่าภิกษุนี้ท่านมีเวลามากกว่าคารวาที่จะทุ่มเทให้กับงานทางด้านธรรมะแต่ก็ไม่ได้มาเความว่าคารวาจะไม่สามารถเอาไปปฏิบัติได้ฉะนั้นก็ลองลองเอาไปปฏิบัติดูฝึกตั้งสติอยู่เรื่อยตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับให้มีสติเป็นเหมือนกับยามเฝ้าดูการกระทำของเรา การแยมความคิดของเราการพูดาการกระทาต่างๆให้มีสติคอยคอยติดตามแล้วก็ให้มีปัญญาคอยกั้นกรองแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เห็นผล อ, อย่างจริงจังในลำดับต่อไป อเพื่นฉันเห็นว่าสติเอการสํารุปอินรีย์ศีลพวกนี้มันคือโรคเรื่องเดียวกันหมดเลยใช่ไหมก็เกี่ยวต่อเนื่องกันเพื่อจะทําให้สตินั้นมั่นคงได้ทั้งศีลการสรุปอินซีนะครับก็มันสนับสนุนกันทั้งกันหมดมันเป็นเหนือกับเป็นวงอย่างกลมงกลม ตัวนี้ก็ดันตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้ก็ดันต่อไปแล้วก็กลับมาดันตัวนี้ใหม่ดันไปดันดันกันไปมันก็จะทําให้มีกําลังมากขึ้นและเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราเดินอยู่ในวงกลมเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเราดันเราหลังก็ต้อดันคนข้างหน้าคนข้างหน้าก็ต้องดันคนต่อไปมันก็มันก็ก็ย้อนกลับมาดันคนที่อยู่ข้างหลังเราแล้วมันก็ดันเราเป็นประโยชนแต่ตัวที่สําคัญที่สุด ตัวเริ่มตัวเริ่มแรกก็คือตัวสติตัวสตินี่มันจะทำให้ทุกอย่างมันมันมันเริ่มหมุนไปเริ่มพัฒนาไปเช่นวันนี้ถ้าไม่มีสติกินเหล้าเ ม, มาเมื่อคืนนี้แต่งขึ้นมายังยังเมาไม่มีสติก็ไปวัดไม่ไหวแล้วก <laughs> ็ปาจำารุงทำทานมาสังเทศฟังธรรมนะหรือมาแล้วกลางทางก็แวะซื้อเบียร์ดิน มถึงที่นี่ก็นั่งในรถนะเพราะไม่มีสติเพราตัวสําคัญตัวแรกก็คือตัวสติต้องมีมีสติเพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถวควบคุมใจให้ทำทาทาภารกิจต่างๆได้ถ้าทำได้ถ้าทำก็ทำแบบคนเราทำคนคนเราทำก็ไม่สามารถที่จะทำภารกิจให้มันถูกต้อง ก็ททำไปแบบผิ ด, ผดทๆทุกๆรถชนกันตายเพราะพรคนเมาแล้วขับดันั้นสตินี่เป็นตัวสำคัญที่สุดในธรรมะทั้งหลายลองเปรียบเทียบเหมือนเป็นรอยเท้าช้างครบคุมรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมถ้าไม่มีสติทานศีลภาวนา วิมุตติหนุนทนนี้ก็จะไม่เกิดถึงแม้ว่าวิมุตติหรือปัญญาหรือภาวนานี้เป็นเป็นธรรมะที่สูงมากขนาดนั้นก็ตก็ต้องมีสติเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ปราดนำแล้วสติมันก็สามารถที่จะเจรินได้ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดเพราะมันอยู่กับอยู่ที่ตัวเรา เงแต่ว่าเราไม่เคยฝึกทำให้เป็นนิสัยมันก็เลยชอบทำไปตามแบบไม่มีสติคือมีสติมีแต่ไ ม, ไม่ยังไม่พอเพียงต่อการปฏิบัติธรรมเรามีสติประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นคือคนธรรมดาสามัญที่อยู่ในเรื่องนี้ถือว่ามีสติประมาณห้าสิบพอที่จะควบคุมดูแลจิตใจให้ทำอะไรได้ แต่แต่มีสติร้อยเปเซ็นนี้ยังยังยังไม่ถึงพอจะควบคุมให้ทำอะไรปับ๊บพอทำแล้วก็บ่อยให้ไปคิดเรื่องอื่นได้ก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นนะแล้วก็กลับมาดูบ้างกลับไปกลับมาอย่างนี้เรียกว่าเหมือนกับมีห้าสิบอร์ซ็อยู่ที่นี่ห้าสิบแล้เดี๋ยวไปที่นั่นอีห้าสิบเดี๋ยวกลับมาที่นี่50กห้าสิบกลับไปกลับมาอย่างนี้ แต่ถ้าของปฏิบัติจริงๆนี่มันจะลอยทั้งลอยอยู่ตรงนี้อย่างเดียวอยู่ในนี้อย่างเดียวทำอะไรก็อยู่ตรงนี้อย่างเดียวรับประทานอาหารก็อยู่ประการรับประทานอาหารเวลาเคี้ยวก็อยู่การเคี้ยวแต่ไม่ต้องทําแบบสโลโมชั่นไม่ต้องทําแบบตักข้าวขึ้นมาใ ป, ปากเข้าไปทำเคี้ยวกำลังกลืน ไม่ต้องทำอย่างน้นเพราสติมันไว้ทําแบบตามธรรมดาปกติแต่ให้สติอยู่เฝ้าอยู่แต่ในเบื้องต้นสําหรับคนบางคนเขาอาจจะได้ประโยชน์จากการทําแบบช้าๆเพื่อที่จะฝึกให้มีสติอยู่กับ ก, บ ก, บกบารกระทํางนั้นแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วมันต้องสามารถที่จะดําเนินชีวิตไปอย่างปกติโดยมีสติคอยตามรู้ได้อยู่ตลอดเวลาบางสำนักดีเวลาที่เขาปฏิบัติเดินโยกมี้คนนี้ คนที่ก็ไม่เห็นเนี่ยคนไม่เคยเห็นก็คิดว่ากําลังขับเดิวนี่ไงกว่าจะก้าวเลยทีละกล้าวนี่คิงว่ามันแสนจะยาวแต่สติของเรามีมากพอที่จะไม่ต้องทําส่างนั้นแต่ถ้าอยากจะลองดูสักครั้งสองครั้งือว่าเอต า, ามมันเราเราให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนด้คั้งต้นให้มันช้าหน่อยเราต่อไปได้ตามตามให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้น มีความรู้ที่ว่าช้าไปก็ไหร่เนี่ยมันมีช่องว่างที่จะแทรกเข้ามาในจิตได้ใช่มันก็มันก็มีทางไปได้มันก็ไปได้อยู่ดีมันก็ไปได้ส่ตรงข้ามที่ว่ามันทีเข้ามาเนี่ยโอกาสแทรกก็จะมีน้อยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผริตกันแล้วกันคนบางคนก็อาจจะได้ประโยชน์จากการทําช้าๆก่อนเมื่อเขามาเป็นครูเป็นอาจารย์เขาก็สอนให้ให้ทําแบบนี้ท่าอาจารย์คะเวลาแบบว่าขับรถไปแล้วฟังฟังธรรมมาค่ะ ทั้งสองอย่างใ น, ในเวลาเดียวกันนี่สมควรนะคะคุณถ้านั่งรถนั่น <c oughs> ถ้านัง <c oughs> าน่งรถฟังเนี่มันจะสมควรกว่าถ้าฟังไปขับไปนี่มันสติมันก็ต้องแบ่งไป <c oughs> ไห้าสิบห้าสิบหมายถึงคนนั่งข้างๆใช่ไหมไม่ใช่คนขับถ้าคนที่นั่งเฉยๆไม่ต้องขับรถนี้เข <c oughs> าจะได้มีสติฟังได้ร้อยเปอเซ็นอันนี้มันแบ่งไปมันจะได้ครึ่งขับรถก็ได้ครึ่งหนึ่งฟังธรรมะก็ได้ครึ่งเพราะว่ามันจะต้องสลับ สติลับมาหาทั้งสองส่วนเนี่งั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ขับรถอย่างเดียวดีกว่าเพื่อความปลอดภัยโดยเหว่าถ้าเิดเราทําอะไรหลายสิ่งพร้อมๆกันเนี่ยนะครท่านอา<ช><ห>จารย์ทำให้เราเวลาเราทําสมาธินี่มันจะรวมยากใช่ไหมครัอาจารย์ไม่เนี้มันไม่เป็นเพราะม <c oughs> ันเพราะมันจะไปหลายทางมันชอบไปซ้ายขวาซ้ายขวามันกระสายไปกรายมแต่ถ้าเราอยู่กับอย่างเราอย่างหนึ่งมันก็จะนิ่ง ิเร็วแล้วรวมได้เร็วกว่าครับงั้นถ้าเราทำเพื่อฝึกสติเราก็ควรที่จะทำทีละอย่า ง, างเพราะเป้าหมายของเราคือเราต้องการที่จะรวมจิตรวมให้จิตเป็นหนึ่งให้สงบนิ่งแต่ถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายนั้นเราคิดว่าขับรถไปแล้วถ้าไม่มีอะไรฟังแล้วมันเงามันง่วงมันจะหลับก็อาจจะเปิดอะไรฟังแก้เงาแก้ ง, ง, ก ง, ง่วงอันนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นการจเจริญสติ มาไเพื่อเพื่อเพื่อความสงบเพื่อความตงบหนึ่งของใจดังน้นเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเราทําเพื่ออะไรอย่าสับสนบางทีเราคิดว่าเราทําอย่างนี้แล้วความจริงล้วต้องการแก้ความง่วงเหงาเหงานอนด้วยความความอะไรความที่ข้าอยู่คนเดียวร้องเหงานก็ อ, อยากจะมีเพื่อนมีอะไรฟังก็เปิดฟังไป แล้วก็ไคิด อ, อดีความเราจะได้สมาธิได้สติไปด้วยอันนี้เป็นการคิดผิดคิดผิดมันไม่ได้เป็นนตรงอย่างนั้นรถติดนานนะคะแม่จ่าถ้ารถจาดนิ่งนี้ไม่เป็นไ ร, รถ้านั่งรถจาดนิ่งเราพุโทโธพุโทโธไปท่านใจกะนะ็ได้แล้วสวดบนไปท่านใจกะนะ็ได้แทนที่จะมานั่งภาวงาว่าเมื่อไหร่จะแดงเมื่อไหร่จะเขียวแล้วถึง กายก็เครียดอยู่อย่างนั้นรว่าผู้ยมติดทิ่ที่จะฟังทำเวลาขับรถเลยนะอาจารย์เพราะแผ่นซีดีเนี่ยรถเต็มไปหมดเลยแต่ที่อาจารย์ว่าคือไปอยู่ในรถต่อคยกันยังก็กล้วก็ ก็มันเคยอย่างนี้นหะเค่อยู่เยอการแต่เวลาเคยนั่งรถตปกับน้องจาเนี่พระทุวงในรูปนิ่งๆแทบหมดฝังคนต่างต่างดูจิตของตัวเองพอเก้าไปวัดต่นงๆต้องดูจิตเหนทุกคนมีสติกันไม่ไม่เพ้อเจอไม่คุยกันไมอะไระยี่งถ้าต่อหน้าท่านดิโอโหยังบรรยากาศท่านเป็นเหมือนกับ มีดีอะไรแต่ให้ทุกคนนี่แข็งตัวไม่แข็งตัวสื่อก็มีเลน่าคอยจำอะไเคยนั่งแให้ครูบาอาจารย์ขับอะไอความที่คิดว่าท่านคงเฉยๆอยู่กับเราเนี่ยเปิดวิทยุหลวงตายท่านฟังแล้วท่านบอกให้ปิดครือเครื่องรู้แต่นี่ว่ามันเปนสิ่งที่ไม่ดีเพราใจเรากับท่านเหมือนกันใจของท่านอยู่ในความสงบท่านมีความสุขอยู่แล้วค ไอ้เรามันถ้ามันไม่มีอะไรฟังเนียมันเสียเงามันมันอยากต้องมีอะไรฟังแล้วถึงจะมีความสุก็อยากได้ถ้ามีความสุขเงาเต้นเต้นแค่วันดีอยู่เต้นที่เข้าแบบเป็นวัดทาอยู่เออเขามีปัญหาอย่างนี้ค่ะว่าสองอาทิตยแรกเนี่ยก็ทําได้ดีอยู่คือคือเขาจะไปอยู่นานแหะนะคะพอเป็นอาทิที่สามเนี่ยถึงก็ทํานานเท่าไหร่เนี่ย มันฟุ้งมากมาก็ก็พยายามแก้แล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่กรอบเข้ามาเข้าที่ไม่ทราบท่านจารยแนะนําฐานไปได้ไหมคะยังไงใช่ <c oughs> คือคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตเวลาเราทำอะไรใหม่ๆนี้มันจะมีความกระตือรือร้นรีเสึกว่าจะมีพลังมีความอยากฉันทะวิริยะมากแต่พอมันทําไปทําไปแล้วไอ้พลังนี้มันก็จะ <c oughs> จะหย่อนลงหย่อนลงไป แล้วจนแท่งถ้ายๆว่ามันเหมือนกับไม่มีพลังแล้วพอเราทํำเราก็จะรู้สึกว่าไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาก็ต้องอดทนทำไปเรากวร ย, ย้อนไปถึงวันแรกที่เราเคยถามว่าเราเราทําทําอย่างไรเราได้ผลดีอย่างไรแล้วก็ยึดเอาวิธีการนั้นทําต่อไปแต่อย่าไปกังวลกับผลที่ที่ ท, ที่ที่มันยังไม่เกิด ยันทําไปแล้วทำไมเอ๊มันไม่สำเร็จเหมือนเดิมเลยทําไมมันอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันกิเลสมันจะเริ่มต่อต้านละเพราะว่าใหม่ๆมันชอบมันดีออกดีใจมันได้ย้ายสถานที่ได้ไปทํำอะไรที่ใหม่ๆกิเลสมันก็จะเอออหอบตกตามไปด้วยไม่ต่อต้านพอมันอยู่กันนานๆข้ามันเริ่มเกิดความจําเจแล้วทีนี้กิเลสมันเริ่มออกมาละเริ่มเบื่อละมันจะไม่มีฉันทะวิริยะเหมือนเดิมหรือไม่มีสติเหมือนเดิม นี้เราก็ต้องต้องต้องพยายามสร้างสติสร้างสรงสรค า, ราวิริยะด้วยการทําต่อไปเคยทำอย่างไรก็ทำไปผลจะได้มากน้อยเพียงไรอันนี้ก็อยากไปกังวลถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่าการปฏิบัติของเราตอนนั้นมัน จ, จิตใจของเรามไม่อยู่ก่อเนื้อกับตัวมันมันถูกกิเลสคอยฉุดคอยลากไปว่ากิเลสมันเริ่มออกมาอลาวาสมากขึ้นไม่เหมือนกับตอนไปใหม่ ตอนไปใหม่ๆนี่มันมันมันยังเฉยๆอยู่ น, นะพอมันอยู่เป็นานานๆ้วมันก็จะเริ่มออกมาแล้วว่าทีนี้มันก็จะรู้สึกว่าทำแล้วไม่ค่อยได้ผลก็อย่าจะให้อย่าอย่าไปอย่าไปากังวลกับผลที่ไม่ได้รับ ว, ว่าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาว่าต้องเราก็ต้องทำต่อไปอ แล้วสักวันหนึ่งมันก็จะได้ผลขึ้นมาแล้วมันก็จะได้กำลังใจได้อะไรหรือบางทีก็ต้ออาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์เป็นเป็นตัวช่วยปุกฉันทะวิริยะให้กลับคนืนขึ้นมาใหม่ดงนั้นควรที่จะฟังธรรมอยู่อยู่บ้างอย่าอยาปฏิบัติอย่างเดียวทุกวันนี้ควรจะฟังธรรมอย่างทักวันละชั่วโมงสนำนักปฏิบัติเนี่ยถ้าอยู่ในสำนักปฏิบัติเนี่ย ถึงแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ได้เทปก็เอาหนังสือเอาเทปของท่านมาปวดฟังแทนอย่างสมัยที่เราอยู่กับหลวงตาสมัยนั้นมันไม่มีเทปเราก็อ่านหนังสือของท่านทุกวันวันละชั่วโมงก็เหมือนกับได้ฟังเทศของท่านเป็นตรงอ่านไปเรื่อยประวัติพระหลวงปู่มั่นเนี่ยอ่านอ่านวันละชั่วโมงอ่านวันละชั่วโมงจนจบเล่ยแล้วก็อ่านปฏิปทาต่ออ่านแว่นดวงใจต่อมีหนังสือกี่เล่องก็อ่านไป แล้วมันมีเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเหมือนกับได้น้ำได้ปุ๋ยเพราะถ้าจะมารอให้ท่านเรียกอบรมแต่ครั้งนี้มันมันก็ลางทีท่านมีภารกิจอย่างอื่นและเราสามารถธรรมนิยมีเราเรามีตัวแทนของท่านในรูปของหนังสือในเทปในซีดีแล้วเหมือนกันไม่จําเป็นจะได้ฟังสดๆเพราะทำที่ท่านอัดไว้มันก็เป็นอาการวิกลอยแล้วมันสดตลอดเวลา จะสดไม่สดอยูที่การฟังของเราแล้วเราฟังด้วยสติหรือไม่ถ้าเราฟังด้วยสตินี่มันจะสดแต่ถ้าเราฟังว่าเอยเคยฟังมาแล้วก็เลยฟังแบบไม่ตั้งใจฟังมันก็จะไม่เป็นมันก็จะไม่สดเพราเราไปคิดว่าของเก่าแล้วคยฟังมาแล้วมันก็ได้แค่นี้แต่ความจริงสิ่งที่เราฟังแต่ละครั้งเนี่ยมันเราเราฟังไม่ได้ครบร้อยหรอมันขึ้นอยู่กับสติของเราว่ามีเท่าไหร่ถ้ามีห้าสิบก็ฟังได้ถึงห้าสิบถ้า ถ้ามีร้อยมันเป็จะฟังได้ครบร้อยแต่ไม่มีใครหรอกที่มีสติครบร้อยเพราะเวลาฟังปั๊บเดี๋ยวเผลอไปคิดตรงนั้นส่วนที่ท่านพูดมามันก็จะผ่านไปพอวันหลังเรามาฟังใหม่เอ๊ะเราเคยฟังนี้มาแล้วหนึแต่ทำไมมันไม่เด้มันไม่ได้ฟังตอนนี้เใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอให้ฟังฟังฟังทำสลับกับการปฏิบัติอย่าปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวนี่มันจะ มันจะกระค่าไปติดกับได้แต่ไปติดหลมแล้วจะไม่รู้จักแกย้ยธีแก้แต่ถ้าฟังทำอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะมีอะไรมาคอยเตือนสติเราว่าอทําอย่างนี้ไม่ถูกนะทํานี้ถูกแล้วก็จะมีมีมีน้ำ ม, ม, มีกําลังใจคือท่านจะพูดถึงการปฏิบัติของท่านพูดถึงเรื่องราว ต, ต่างๆในธรรมะนี้คํางธรรมเมื่อฟังแล้วมันก็จะ มีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาบางครั้งนั้นก็เล่าถึงปัญหาที่ท่านมีเหมือนเรามีแล้วท่านก็เจ็บก็จเจริญแล้วก็เสื่อมพอเสื่อมแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจไม่รู้จะทำอย่างไรทํายิ่งพยายามอยากจะให้มันหายเสื่อมมันยิ่งไม่ไม่หายเพราะเพราะความอยากหายมันไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้มันหายเหตุที่จะทําให้มันหายก็คือการมีสติยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นอยู่กับพุโทโธ นี่เรา น, นั่งคิดเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะได้ผลแต่เราไม่เคยอยู่กับพุทโธเลยมันก็ไม่ได้มันเพราะมันมีแต่ความอยากมันไม่มีเหตุที่จะทําให้มันเกิดผลคือความสงบขึ้นมาถ้ามีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วสามารถอยู่ได้อย่างต่อเนื่องนี่แหละคือเหตุที่จะทําให้เกิดเป็นผลขึ้นมายังต้องอย่าลืมเหตุตัวนี้เป็นหลักฐานแล้วอีกอย่างหนึ่ง อย่างที่นราให้ฟังว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตมันเป็นเหมือนลูกคลื่นบางทีมันก็ขึ้นไปสูงคือปฏิบัติมีความศรัทธาแรงกล้ามีกําลังจิตกาลังใจมากบางทีมันก็ลงต่ําตอนนั้นมันก็ไม่ก็อยากจะทำไม่ก็อยากจะปฏิบัติมันเป็นลูกคลื่นบางวับางทีมันก็แบบว่านอนถอนง่ายบางทีมันก็โหยลืดด้านเราเข้าใจธรรมชาติของเราว่ามันเป็นอย่างนี้ เวลามันดื้อด้านเราก็พยายามก็พยายามประครับประคองไปแต่อย่าไปโกรธอย่าอย่าไปโมโหอย่าเกิดความท้อแท้ไม่ปฏิบัติแล้วเลิกมันดีกว่าอันนี้มันก็ไปเข้าเข้าเข้าล็อกของเขาเราะต้องการให้เราเลิกปฏิบัติอยู่นะเราก็บอกเออช่วงนี้มันยากเหมือนกับกาลังเดนินขึ้นเขาอยู่ก็ต้องทนไปหน่อยก็ทําไปทํำไปช้าหน่อไม่เป็นไรแต่พอช่วงที่มันเป็นช่วงลงเขาก็รีบกอบกลัวเอาเลย ร, รีบตักตวงเอานะ ทำได้มากมันจะเป็นอย่างเนี้มันจะเป็นเหมือนลูกลูกขึ้นมันมีสูงมีต่ํามีสูงมีต่ําของมันไปเรื่อยๆแต่มันจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆสูงต่ํามันจะน้อยลงน้อยลงไปจนกระงต่อไปมันก็จะเป็นเส้นตรงยิ่งก็สบายปฏิบัติปายแบบไม่ไม่รู้สึกว่ายากลำบากมันจะไปของมันได้สบายโดยตอนนี้เหมือนกับต้องขึ้นขพ้นห้วยขึ้นเขาลงห้วยอยู่หลายหลาหลาย หลาตอนด้วยกันก่อจะไปถึงทางราบเอาไปถึงทางลาบแล้วทีนี้ก็สบายใช่หรือคนมีความไม่เ ท, ที่ยงหนึ่งค <ไป S 2> ือจิตด้วยเมื่อมันตอนต้นเนี่ยมันมันจะแกว่งมากไงแกว่งไปทางกิเลสแกว่งมาทางธรรมมากระยะความกว้างของของความแกร่งนี่มั น, ม, นมันกว้างมากะพอเราปฏิบัติมากขึ้นได้มีธรรมมากมากขึ้นธรรมะมันจะทําให้แกว่งน้อยลงให้ให้แคบลงแคบลงจ น, นในที่สุดมันจะอยูอ่นิ่งกลาง ไม่แขว่งเลย mm hmm. คืออุเบกขาจิต น, นึงเป็นเป็นห mm hmm. นึ่งมันไม่ค่อยแขวนไปตามอารมณ์ต่างๆดันในเบื้องต้นเนี่ยยากก็คือในเรื่องตอน้นพอไปถึงจุดที่มันเริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วตอนนั้นมันก็จะเริ่มไปได้อย่างสบายแต่มันยังมีงานอีกเยอะนะมันี่หมายถึยงการควบคุมจิตกับอารมณ์ของจิต mm hmm. ไม่ให้กวนแต่ถึงแม้จิต จ, จะอยู่ตรงกลางนี่มันก็ยังมีกิเลส คือเราไม่ได้เข้าสู่ขั้นขั้นที่ขุดคุยถอดถอนกิเลส แ, แล้วนะเราอยู่ในขั้นเบื้องต้นก็คือพยายามทำจิตใจไม่ให้มังแกว่งไปตามอารมณ์ให้มันอยู่ในความสงบไพามากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ในความสงบนั้นมันก็ยังมีมีกิเลสซ่อนอยู่และถ้ามีโอกาสมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้เเห็นอะไรได้ยินอะไรหรือคิดถึงเรื่องอะไรมันก็ยังโผล่ขึ้นมาได้ แต่ตอนนั้นมันจะเป็นงานแบบงานละเอียดเป็นงานของปัญญามันไม่เป็นงานหมือนแบบแบบขั้นที่ทําจิตให้สงบช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่แบบแบกถามงานแบกหามอย่างงานปัญญาลิ้นหนึ่งก็นั่งขี่เขียนเป็นงานละเอียดขึ้นไปก็ต้องมีความแน่วแน่ต่อต่อต่องานของเราก็แล้วกัน แล้วต้องยอมรับว่ามันมีมีง่ายมียากมันยากก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ทําไปถึงแม่จะไม่ได้ผลเก่อย่างน้อยก็ขอให้เรารักษาข้อวัดของเราไว้เราเคยนั่งได้เท่าไหร่ก็เราก็ต้องนั่งถ้านั่งไม่ได้ก็เดินแทนก็ได้ขอให้มีปฏิบัติอย่างอยู่แบบไม่มีสติอยู่แบบนั่งรอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ร้องหอบร้องไห้อยู่คนเดียว <c oughs> นั่นกำลังนั่นกาลังเป็นบ้าแล้วไม่มีสติแล้วเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องต้องมีสติประคับประคองใจอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ก้าวหน้าก็ไม่เป็นไรแต่อย่าถอยหลังขอให้ยืนอยู่กับที่ก็ยังดีไม่จำเป็นกําำลังใจตัวเองเดยสำคัญที่สุดเลยถือว่าบใกล้ครูบาจารย์ก็ยังมี มีที่พึ่งมีความรู้สึกพึ่งมีที่พึ่งมีอะไรก็ยังยังอุ่นใจนะครับครูบาอาจารย์ท่านเน้นเรื่องเรื่องการให้กําลังใจนะการทํารให้กำลังใจนี้ท่านเน้นเรื่องการให้กําลังใจก่อนแล้วก็ให้ให้ข้อคิดให้ให้ปัญญาพอจิตใจของเรามันมันเป็นอย่างเนี้ยมันมันน้มลุกคุกขังคือต้องอดทนกับมีความเพียรอ่าเป็น่วิริยะกับขันติ พระวิทยาคงจะว่าขันติปาลางตัปโตติติขาเป็นสุดยอดของของของตปะธรรมจะแผดเผากิเลสได้นี่จะต้องมีขันติพระนิพพานเป็นสุดยอดของของผลของการปฏิบัติธรรมขันติก็เป็นสุดยอดของเหตุที่จะทําให้พระนิพพานเกิดขึ้นมาเหมือนจะมาฟังธรรมเทานาเนี่ยพอกลับแปอาทิตย์แรกนี่ถ้ามัน ติตใจมันฮึกเหอมมากแอก็มันก็เริ่มบางลงบางลงที่สองที่สามที่สิเขาต้องชาร์จแบตมันแบตมันหมดกันเลยอาจจะต้องมาเทวทิศนะนั้งนีคือเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกเขาทํา เป็นชั่วโมงนีมากแต่ว่าเขาเครกจแค่ให้มันเไมนเครอยดกันววนี้่าทำผิดทำไม่ถูกถ้าอย่างนั้นมีอีกข้อหนึ่งที่เรจะคิดคือไม่หวังผลทํามีหน้าที่ทําำได้นก็คือผลผลกับหวังแต่อย่าไปเป็นอารมณ์กับมันอย่าไปมีอารมณ์กับผลให้ให้จิตอยู่ในปัจจุบันอยู่กับเหตุผลมันเป็นอนาคต ถ้าเหตุดีแล้วผลมันดีแต่ถ้าเหตุมันสับสนวุ่นวายผลมันจะดีได้อย่างไรทุกข์ก็จําเป็นต้องมีจุดเป้าหมายใช่ไหมครัต้องมีเป้าหมายที่จะทํำไปเรารู้อยู่แล้วเป้าหมายของเราคือคือผลธารมที่เกิดจากการปฏิบัติอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วครับที่เราไปว่าก็เพื่อที่จะให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิมุติอันนี้มันรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่าไปเวลานั่งปั๊บวันนี้นั่งแล้วต้องสงบให้ได้นะ เราเป็นเหมือนเมื่อวานนี้นะถ้านั่งอย่างนี้นะมันไม่ได้นั่งพวกนั่งแบบไม่ไม่รู้ไม่คิดว่าวันนี้จะเกิดยังไงจะได้หรือไม่ได้เหมือนกราไปตกปลาเมื่อวานนี้ตกมาได้ยี่สิบตัววันนี้ก็อยากจะได้ยี่สิบตัวมันมันไม่แน่หรอกว่าจะได้หรอือเปล่ามันอาจจะได้มากกว่ายี่สิบก็ได้หรือมันอาจจะได้น้อยกว่าก็ได้เดนอย่าไปเดีายวพอพอตกได้ผ่านไปครึ่งวันแล้วยังไม่ได้ติดตัวเลยเดีย๋ยวยิ่งเครียดใหญ่ เพรยิ่งเคลียร์นนี่การจะทําอะไรให้มันถูกต้องมันก็ยิ่ ง, ย, งยิ่งไม่ไม่เป็นไปยังไงก็ต้องพยายามรักษาข้อวัดของเราให้ได้ต้องทําอยู่เตลอดไม่มมเลิกไม่เลอกมีให้มันอยู่ที่เหตุ<ะ>เหตุก็คือการประทอบประคองจิตด้วยสตินี่หมายถึงเหตุภายในนะถ้าเหตุภายนอกก็คือเรามีภารกิจอะไรที่เราต้องทําทุกวันทุกเวลาแล้วก็ทําไป ถึงแม้จะมีความเศร้าสศงโศงเหงอเหงาท้อแท้ใจแค่อย่าปล่อยให้สิ่งเหาน้น ม, ามามามาทำลายข้อวัดปฏิบัติของเราหรือม้นในชีวิตของาาคารว่าก็เหมือนกันบางวันอาจจะไม่รู้ไม่อยากจะไปทำงา น, นแต่ก็ต้องไปเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องไปทาทำไปถ้าไม่ทําเดี๋ยวความเสียหายมันตามมันมันจะตามมามันจะมากกว่ากับความรู้สึกที่เป็ น, นอย่างนขณะนี้ มันอยาให้ความรู้สึกมันมามันมาเป็นเหตุที่จะทําให้เราล้มทํากิจวัตรต่างๆของเราเช่นเราเคยนั่งทุกวันเวลานี้พอถึงเวลาเราก็ต้องนั่งพอไม่ใช่เงี้ยเดี๋ยวจะผัดวันประกคำทุ่งไปเรื่อยวันนี้ไม่ไม่อยากจะนั่งเลยไม่นั่งมันดีกว่ามันก็จะไม่ได้นั่งแล้วพอวันต่อมาจะนั่งยากขึ้นเมื่อวานนี้มันมีเหตุอ <c ười> แต่ถ้าวั น, นแต่ถ้าวันนี้เราฝืนนั่งเราได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมานั่งมันก็นั่งได้เพราะมันรู้ว่ามันไม่มีช่องที่จะฉุดให้เราไปทําอย่างอื่นได้เพราะเราไม่ยอมมันเรามีความเคร่งครัดต่อข้อวัดปฏิบัติของเราต า, ตามสาามํานักปฏิบัติท่านถึงถือการเคร่งครัดในเรื่องข้อวัตปฏิบัติตั้งแต่เอาเิ็นาบาดปลอดกวาดนี่เป็นถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ที่เป็นตัวคอย คอรักษาใจไนมะ่ให้กิเลมมันมามาฉุดลากให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ถึงเข้าะฉะนั้นถ้าเรามีเราเราตั้งใจว่าเราจะทําอะไรแล้วเราก็ต้องทําให้ได้เช่นในปัญญาที่เราตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิทุกวันเราก็ต้องนั่งให้ได้จะรู้สึกอยากจะนั่งหรือไม่อยากจะนั่งก็ไม่สําคัญ ถึงเวลาก็ต้องนั่งถ้าอยู่กับพูทโธไม่ได้ถ้าสวดมนต์ไปแจกจ่ายก็ได้หรือทิจนาทําไปบ้างก็ได้เปลี่ยนกันทิจนามาเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเสจ็บเราก็ต้องตายเดี๋ยวเราก็ต้องท้อท่าจากกันเดี๋ยวคนนั้นก็ต้องแก่ตั้งเสจ็บต้องตายคนนี้ก็ต้องแก่ต้งเสจ็บต้องตายเดี๋ยวสิ่งนั้นก็ต้องจากเราไปสิ่งนี้ก็ต้องจากเราไปคิดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะมันก็เป็นธรรมะขึ้นมาได้ มันก็เป็นอุบายแห่งปัญญาอบรมสมาธิคิดอย่างนี้ไปพักๆมันคือใจก็สงบแล้วก็กลับมาดูตรงท้ายใจมันก็นิ่งสบายบางวันมันจะให้มันอยู่กับพูดโธพุดโธมันก็ไม่ยอมต้องใช้เหตุผลแล้วันก็ใช้เหตุผลทุกอย่างคิดในในทางทางนะ้อย่าไปคิดในทางทางโลกแล้วเกิดความกังวลห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ เขาจะเจ็บค่าได้ตัวนะต่อไปเราจะทำอย่างไรอย่างนี้มันมันคิดเป็นทางทางโลกการคิดเป็นทางทางแล้วต้องคิดพึ่งตนเองกันละ่ะคนอื่นจะเป็นยังไงกันเรื่องของเขาเขาเป็นจะตายแล้วก็ต้องหย่นได้เราต้องพึ่งตัวเราได้เพรเราพึ่งได้ถ้าเราจะพึ่งจริจรจรงๆไนงั้นพระเจ้าจะสอนอัตตาหิอตโนนาเถว่าทออําไมตนเป็นที่พึ่งของตอน เราพยายามถัดทำตัวเราให้เป็นที่พึ่งของเราแล้วเราเวลาเราพิจารณาทํานั้นจะไม่หวนไหวเช่นพิจพยารณาความแก่ความเจ็บความตายของเราและของผู้อื่นเราจะไม่หวนไหวเวลาผู้อื่นเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะว่าเขาตายไปก็เราก็อยู่ได้เราก็เรามีที่พึ่งเรามีแต่ถ้าเรายืดเข่ากันที่พึ่งเวลาเขาเป็นอะไรไปเนี่แล้วเราจะพึ่งอะไรถ้าถ้ารอยน้ำอยู่ก็ต้องจมน้ําตายไป ก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีแพ้ไว้เกาะแต่ถ้าเรามีเราว่ายน้ำเป็นเช่อย่างเราไม่กลัวแพจะล่มเลยจะล่มเราก็ยังว่ายน้ำได้ท่านอาจารย์คะลูก ร, รู้สึกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนกับเรื่องตัวหลงะคะ่ะคือบางทีเห็นโกรธเห็นโลกแต่ว่าไม่เห็นหลง ความหลงนี้ท่านก็แสดงไว้อยู่สามลักษณะคือเห็นเห็นเห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเที่ยงแท้แน่นอนเห็นเห็นเห็นสุขเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นความทุกข์เห็นสิ่งนี้แล้ก็เห็นเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตน เราหลงกับราบรูปเสียงกริรลดผูตรธระเนี่ยเราหลงความสุขเราเห็นว่ารูปเสียงกริรลดผูตรธระนี้ให้ความสุขที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยไปดูหนังฟังเพลงไปดื่มไปรับประทานพราะเราคิดว่าทําไปแล้วมันให้ความสุขกับเรามันก็ให้ความสุขกับเราในระดับหนึ่งแต่มันมีของแถมมาด้วยคือความทุกข์แต่เราความทุกข์นี้เรามองไม่เห็นถ้าเราไม่ใช้ปัญญา เช่นเวลาเราอยากจะไปเที่ยวแลวเราไม่ได้ไปเที่ยวเป็นยางไรมัน ก, ก็เกิดความหงุดหงิดใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราติดเที่ยวนะแล้วหลคนที่เขาไม่ติดเที่ยวเขาไม่อยากเที่ยวเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่ได้ไปเที่ยวเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าได้ไปเที่ยวโดยที่เขาไม่ได้อยากไปไปเพราะจำเป็นเช่นคนอื่นลากไปไปเพราะไม่ให้เสียมารยาทเขาไปเขาก็เขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่มีความสุขอะไรเขาก็ไปอย่างนั้นเราเขารู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นความสุขเขาเลยไม่ได้อยากไปหาความสุขจากจากการเที่ยวจากการดูจากการฟังจากการดื่มจากการรับประทานถ้าจะดื่มก็ดื่มเพราะความจำเป็นไม่ได้ดื่มเพราะความอยากดื่มเช่นอยู่น้นําก็ดื่มน้ําปล่าๆนี่ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นน้ํามีสีมีกลิ่นมีรส เพาอันนี้มันเป็นของกิเลสเรื่องทุกข์ีกิเลสรสนี้เป็นเรื่องของกิเลสเวลากินน้ําให้ร่างกายร่างการต้องการน้ำเท่านั้นเองหากินของที่มันมีรสหวานๆมากๆแทนที่จะเป็นคุณมันกลับเป็นโทษกับร่างกายนี่คือความรู้เห็นเห็นเห็นเห็นทุกข์ก็เป็นสุขฉนั้นพระเจ้าสอนว่ารูปเสียงกิเลสโถดถวะคือกรรมมรรคทั้งห้านี้มันเป็นโทษมันไม่ได้เป็นคุณ อันดีนะควรจะเรียกว่าการมโทษไม่ใช่กรรมมาคุณเรียกความหลงเรียกว่าการมคุณความจริงต้องเรียกว่าการมโทษท่านที่สอนให้สารวงตาหูจมูกลิ้การก็คืออยา่าไปแสวงหาความสุขอยากสิแบบนี้นี่คือเรียกว่าความเห็นทุกข์การไม่เห็นทุกข์เห็นเห็นสุขว่าเป็นเห็นอะไรเ <ming ling> ห็นทุกข์ว่าเป็นสุขนี่คือความหลงเ ห, เห็นกลับตาละปะัดเห็นหน้า <ming> มือเป็นหลังมือ เห็นเที่ยงเห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเช่นเราแต่งงานแล้วก็ที่ว่าจะต้องอยู่กันไปตลอดจนวันตายแต่ที่ไหนได้หกเดือนอ่ะจะหย่ากันแล้วกันนะก็คือเห็ความไม่เที่ยงในเห็นเห็นเที่ยงในในสิ่งที่ไม่เที่ยงตัวตนก็คือว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นตัวเราเช่นเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราเห็นสมบัติข้างของเงินทองข้างของต่างๆว่าเป็นของเราแต่ไม่ใช่ของเรา่ะของยืมมาเท่านั้นพ่อแม่ให้เรามา ให้ร่างกายเรามาแต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของพ่อแม่พ่อแมา่จะเอาเอามาจากธรรมชาติเอามาจาก น, น้ำมฝนเอามาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วสักวันหนึ่งของเรานี้ต้องก็กลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็กลับไปสู่ินน้ำมีฝนนั่นจะไม่ว่าเป็นตัวตนเป็นของเราได้อย่างไรนี่ก็คือความหลงเหมือนกันที่สอนให้พิจารณาอันนี้จังเพื่อให้เห็นว่านี่คือความจริงเนะ ความไม่เที่งเกิดแก่เจ็บตานี่คือความจริงแต่เราไม่คิดกันเราคิดว่าเราจะอยู่กันเป็นตลอดเราคิดว่าจะอยู่แล้วไม่เจ็บไายได้ป่วยพอพอเจ็บไข้ได้ป่วยนี่โหการเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมท <c oughs> ี่แสดงว่าหลงนะถ้าคนไม่หลงก็จะไปตื่นเต้นอะไรก็รู้กันอยู่แล้ ว, ลวต้องเจ็บไายได้ป่วยกันทุกคนต้องตายด้วยกันทุกคนแต่พอใครเจ็บคข้ได้ป่วยใครตายขึ้นมานี่เป็นข่าวหน้านห น, น, นึ่งในหนังสือพิมพ์เลยแสดงว่าหลง ของทางที่ว่าคนนี้จะอยู่ไปนานๆนะอยาจะไม่เจ็บไายได้ป่วยเป็นความจริงเรารู้อยู่แต่มันไม่อยู่ในใจเราในใจเรามันหลอกเราอยู่เรื่อยไม่ให้เราคิดถึงเรื่องเหล่านี้เมื่อเราไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้ก็เหมือนกับว่ามันไม่มันไม่เป็นมันจะไม่เป็นอะพอมันเป็นขึ้นมามันก็เหมือนกับว่ามามากระแทกความรู้สึกในใจเราที่ที่เราคิดเอาเป็นไปได้อย่างไรไม่น่าเป็นไปได้แต่ความจริงมันต้องเป็นด้วยกันทุกคน จะช้าเรื่อเรทั้เนเองสามกรณีเท่านั้นนี่คือการแก้กความหลงก็คือการพิจารณาอานิจจ์ทุกขังอนัตตาอันนี้มันก็จะต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนถ้าจิตไม่สงบแล้วพิจารณาไม่ได้ก็กิเลสมันมันมันอยู่ทั่วในใจเราไปหมดเลยพอเราพิจารณาครับเดี๋ยวมันก็หลอกให้เราไปคิดเรื่องอื่นแล้ว เจนารได้แค่ปั๊บเดียววินาทีสองวินาทีมันก็พาไปคิดเรื่องอื่นละแต่ถ้าเราปฏิบัติจิตสงบแล้วก็มีสติมีเป้าหมายว่าเราต้องพิจารณาอันนี้จังเนี่ยจะ บ, บางครับงไ้พิจารณาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีกําลังมีเครื่องสนับสนุนมีสมาธิมีสติเป็นเครื่องสนับสนุนเวลาจิตสงบนี่กิเลสมันจะไม่ค่อยออกมาเพ่งพ่านก็ไม่มีอารมณ์ที่จะมาชุดล่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่น ก็สามารถอยู่กับการคิดเรื่องทางปัญญาพิจารณานิจาร์เกิดแก่เจ็บตาพลาดพาดจากกันมันก็จะอยู่กับการพิจารณาอย่างนี้กันเมื่อเราตอกย้ำลงไปเรื่อยๆมันก็จะฝังลึกลงไปในใจเราเรื่อยๆจนมันจะเป็นอยู่ใต้จิตสำนึกของเราเวลาเราคิดอะไรมันจะมีไอ้นี่เป็นตัวประกอบมีเสมอเวลาเราเห็นอะไรอยากจะได้อะไรมันจะมามาเตือนเราเสมอ ว, ว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะ แต่บางครั้งถ้าเรามีความจํำเป็นต้องต้องมีมันต้องอาศัยมันก็อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราไม่หลงยึดติดกับมันเช่นเราจะจเป็นจะต้องมีเครื่องอัดเสียงเอามีก็มีเมื่อเราชั่งน้ําหนักดูว่ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษเอาก็เอามาทํามันแต่เราจะไม่ไปยึดติดกับมันถ้ามันเสียก็ก็จบถ้าหาใหม่ได้ก็หาไปแต่จะไม่เสีย อ, อกเสียใจกับการเป็นอะไรของมันเพราะเรารู้โลกหน้ามันต้องเป็นแน่แน อยู่ดีบางทีอาจจะมีคนเล่นมาขโมยไปก็เพราะไม่ได้ของเราแนคะ่เอามาเอาไป <c oughs> เอาไปก็เป็นของคนอื่นไปนะเนี่ยคือการการสอนตนการการแก้การแก้ความหนูปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ไม่มีสมาธิไม่มีสติพอที่จะทำได้อย่างต่อเ น, นื่องชีวิตของเราแต่ละวันนี้มันทำให้เราต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้จนทำให้เราลืมเรื่องเรื่องสาคัญนี้ แล้วพอเราลืมแล้วกิเลสมันก็เลยเข้ามาครอบงำพอเรายุ่งเกี่ยวเรื่องไหแล้วก็จะมีอุปทานยึดติดทันทีเราทําอะไรเราก็อยากจะทํำให้มันได้ดีไม่อยากจะให้มันมันมันเสียหายแต่บางทีมันก็เผนความจริงคือเราทําได้ดีแล้วเราก็อยากจะให้มันดีไปนานๆแต่มันก็ไม่ดีไปนานๆเดี๋ยวมันก็เสียแล้ะเดี๋ยวมันก็มีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแล้วเราก็วุ่นวายต้องมาคอยแก้มาคอย คอยคอยรักษามันนี่คือความหลงนะเข้าใจนะเห็นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนต้องใช้ ต้องใช้การพิจารณาวิปัสสนาใช้อนิจังทุกขังนัสตาเป็นตัวแก่อาจจะเข้าเ ข, ข้าขั้นที่เรียกว่าภาวนามาย์ปัญญาได้เกิดปัญญาที่ที่พิจารณาอย่างต่อเนื่องนี่ต้องมี ต, งมต้องมีสมถะภาวนาเป็นตัวสนับสนุนก่นไม่เช่ะนั้นมันก็จะเป็นจินตมยะปัญญาหรือสุตมัยยปัญญา เช่นขณะที่เราฟังเนี่ยมันเป็นสุตตะเราได้ยินได้ฟังแต่เรายังไม่สามารถเอามันมากำจับความหลงในใจของเราได้เพราะพอเราออกจากที่นี้ไปแล้วมันก็จางหายไปความหลงมันก็กลับมาครองงานมันก็เอาเรื่องอื่นมาหลอกให้เราคิดพอเราคิดปั๊บเดียวเดียวเราก็ลืมเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดหน่อยเราออกจากที่นี้ไปแล้วเรายังเอาไปคิดต่ออย่างนี้ก็เรียกว่ากินตะ แต่อาจจะคิดไม่ได้นานพรคิดแป๊บเดี๋ยวเพื่อนคนนี้คนนี้ก็มาชวนคุยมาให้เป็นมันก็หายไปแหละแต่ถ้าเป็นภาวนาเนี้ใครยังมาชวนคุยไม่สนใจฉันจะนั่งนิ่งภาวนาเช่นคนเดียวฉันจะพิจารณาเรื่องที่เมื่อกี้ได้ยินได้ฟังนี้ต่อไปล้ว น, นั่งรถอย่างนี้ไปถึงกรุงเทศนี้ไม่คุยกับใครไม่ไมีอะไรใครจะจินจะภาวนาเม่อยะปัญญาอย่างเดียวจิตเขามีสมาธิแนละ้วจิตเขาสงบนู่งเขาไม่คุยกับใครใครจะคุยก็ปล่อยก็คุย ตัวเองกัรนั่งพิจารณาอนิจจังทุกข์ขังนั้นตาไม่ได้เร็ถึงพอถึงุเทพนี่จิตก็อาจจะหลุดพนน้นนะก็นน <c oughs> ะมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้อยู่ตรงไหนแบบมันไม่ได้อยู่ที่ครูที่อาจารย์มันอยู่ที่ตัวเราครูอาจารย์จะเป็นระดับพระพุทธเจ้าก็ไม่ช่วยไม่สามารถช่วยให้เราบรรลุได้ถ้าอนุญาตอยู่พระุทธเจ้าเกาะชายข้าวเหลืองอยู่ตั้งยี่สิบกว่าปีก็ไม่บรรลุ แต่คนอื่นนี่ไปฟังเทศฟังธรรมอนเดียวกลับไปปฏิบัติบางทีคืนเดียวก็บรรลุกันเพราะฉะนั้นพยายาม <t> พยายามให้อยู่ที่ใจให้มากดูแลรักษาใจด้วยสติให้มากอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของ ของอามณ์ต่างๆทั้งภายนอกแัะภายในภายในก็คือความคิดของเราภายนอกก็คือคนนอกข้างเราที่คอยชวนเราคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้ถ้าจะคุยท่าน จ, จะสอนให้คุยอยู่ในสิบเรื่องคุยเรื่องมักคโนสสังดุลคุยเรื่องสถานที่วิเวสกสงสัยคุยเรื่องความเพียรคุยเรื่องศีลเรื่องสมาธิ เรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตมติญาณทัศนะญาณาที่เกิดขึ้นหลังจากที่จิตได้หลุดพ้นแล้วปรากฏขึ้นมารู้แล้วว่าจิตของตนได้หลุดพ้นแล้วเขาเรียกวิมุตติญาณทัศน ะ, ะไม่สงสัยไม่ต้องไปถามใครว่าหลุดพ้นหรือยังเหมือนกินข้าวอิ่มหรือยังไม่ต้องไปถามใครฉันกินแค่นี้อิ่มหรือยังคุณช่วยบอกเราหน่อยได้ไห <laughs> เนี่ยถ้าจะคุยกันยังให้คุยในสิบเรื่องนี้ อาจารย์อาจารย์ปุถุชนมันดูคุยเรื่องเกี่ยววิมุตติคงคงเราเราขั้นต่าเลยก่อนเนี่เรื่องมักน้อยสันโดษคทางสันโดษก่อนเรื่องวิมุติอาจารย์ไล่คนตรงนั้นไอ้คนตรงนั้นไปไม่ไหวเลยยังไม่ถึงน้อยน้อยสันโดษแล้วสันโดษก็ยาฟุ้งเคยเสื้อผ้ามีพอใช้แล้วก็ปีนี้ก็หยุดซื้อได้แล้ว กองข้าวมีพอใช้แล้วก็มาต้องสือกระเป๋าด้วยถ้าถ้าใจกระเป๋าด้วยแล้วก็ฮะพูดถึงที่เวกเวกที่ตรงไหนสงบสงัดเราควรจะไปอยู่ตรงนั้นกันนะอแล้วพูดถึงความเพียรอ่าันสมาธิวันละกี่ชั่วโมงเดินยงกลมวันละกี่ชั่วโมงคุยกันเรื่องอะไร ถ้าพูดเรื่องนี้มันจะเสริมเสรม่ห้เราปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นถ้าคุยเรื่องโอ้ยกระเป๋ารุ่นใหม่นี้สวยงานดีอย่างนีนาฬิกา ร, รุ่นใหม่นี้สวยนะดีอย่างนี้นะรถรุ่นใหม่โอ้ยดีงั้นดีอย่างนี้ใจมันก็ใส่ละที่เรานั้นหน้าไปเที่ยวนะน้องสาวก็แว พูดอี่ดรักไฟสไกลี่ไม่อยไปท่าอาจารย์่อย่างนี้เวลาพระท่านฉันน้ารอนกันเนี่ยก็อยู่ในสิบเรื่องนี่สิครัท่านอาจารย์อยู่ในบรราเนี่ยกุยอะไรมาไปเลยนี่ยในหนังสือเวลาที่เขาเห็นมีพระนั่งสนั่งกันก็แบบสนธนารรมเลยไม่กคยบอกสนธนาโลก กาที่จะมาทำเขาจะก็โน่นสนทนาธรรมอยู่ยแต่ถ้าสนทนาโลกก็เป็นเพราะว่าจิตของท่านยังไม่ถึงธรรมเป็นธรรมดาถึงแม้จะมาเป็นพระแล้วแต่จิตยังไม่ได้เป็นพระเช่นผู้ที่บวชใหม่เนี่ยจิตมังก็ยังมีเรื่องทางโลกอยู่พอได้ข่าวปฏิวัติได้ข่าวอะไรก็จะคุยกั น, น, น, นพระ ว, วิจารให้พระวิจารณลงไป ลงปลอบที่บ้านตาแล้ ว, วลงปลอที่บ้านตาคุ ย, ย <c oughs> เรื่องอะไรอันก็แล้วแต่จิตของแต่ละท่านเนี่ยจิตที่ท่านท่านฝ่ายธรรมท่านก็จะคุยเรื่องธรรมระหว่างนั้นหลวงตาท่านจะลง <c oughs> ตอนนี้ท่านลงคำทำไมยนั้นท่านจาลงทุกบ่ายขณะที่เราฉันให้ก็จะลงมาเพราะตอนนั้นจะมีมีคนจัดถวายน้ําให้ท่าน <c oughs> ท่านก็จะมานั่งฉันครับ 5้านาทีส0นาทีแล้วก็พูดธรรมะคำสองคอแล้วท่านก็จะลุกไปแล้วหลังจากนั้นบางทีครึ่จงจั่วมงท่านก็จะเดินมาตรวจดูพอ เ, ça, เห็นท่านนานก็รีบกกยแล้ว <sk> คือที่นั้นท่านไม่อยากจะให้แช่ไงให้รีบฉันฉันเสร็จแล้วให้รีบไปภาวนาต่อแต่โดยธรรมชาติของจิตเรศน์้ันก็ชอบ ชาบสั่งสารชอเดื่มน้ำชาคาแฟแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กันไปซึ่งในทางสายตาของของทางทางธรรมะมันเสียเวลาเวลาไม่มีค่าเหมือนตรวนน้ำทิ้งไว้ไหลไม่ททนที่จะหาภาชนะมารองปว่อยให้มันไหลไปไม่เกิดประโยชนอะไรเวลาทุกเวลา ว, วินาทีนี้มีคุณค่ามากเพราะถ้าทาำให้เกิดเป็นประโยชน์นี้บางทีชั่วโมงเดียวนี้ก็บรรลุทำได้ ห้าวินาทีก็มันทําได้ถ้ารูจักใชมันเป็นตัวมันถึงอยากจะให้เราใช้ไปกับธรรมะและวิธีที่จะให้เราใช้กับธรรมะก็คือต้องไล่ให้เราเข้าเข้าไปสู่ทางสงกมให้ไปสู่ที่ภาวนาที่นั่งดืม่มน้ําชากาแฟนนมันเป็นเพียงที่เติมน้ําให้กับร่างกายเท่านั้นเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับจิตใจเลยแล้วจิตใจก็ต้องอาศัยร่างกาย ในการ<ม>บาเพ็ญปฏิบัติท่านก็ต้องอนุโลมสมัยก่อนนี้ได้ข่าวว่าท่านไม่ให้มีการฉั้นน้ำชากาแฟรุ่มรุ่นเบกิบกเบกิกนี่เขไม่มีนะไม่มีฉั้นน้ำปานะอะไรกันอืน้ำน้าร้อนถ้าไม่มีฉันเช้าเสร็จแล้วก็จบแล้ะยกเว้นถ้าวันไหนต้องทํางานก็อาจจะมีมีลูกศิษย์ต้มน้ําร้อนแล้วก็ชงเป็นโกโก้มาทักการผสมให้เห็นแล้วเวาลาก็เทใส่จบแต่ช่วยกัน เดิมกันแค่เม่ถึงห้านาทีก็เสร็จจบทำงานต่อแต่ระยะหลังก็มีการพัฒนาจนกลายเป็นเหมือนกับร้านกาแฟ <c oughs> มีมีเตาต้มน้ำร้อนมีน้ำร้อนมีน้ำชากาแฟมีน้ำตาล ม, มีของอะไรให้เลือ ก, ก <c oughs> ชงเอาได้เอง <c oughs> ท่านก็เมตตาเพราะท่านก็เห็นว่าเป็นรุ่นที่ ไม่ไม่เป็นหัวกะทิเหมือนรุ่นแรกๆรุ่นเบอร์นี้มันเป็นพวกรุ่นหัวกละทิรุ่นต่อมาก็เริ่มช้คำว่ามีชาวต่างชาติมามีคนมาจากภาคอีกภาคกลางภาคอะไรที่อาจจะเคยอยู่กับความสุขความสบายท่านก็เลยสงสารก็เลยอนุญากตอนท่านก็ไม่มีแบบทงกันเองก็จะมีเด็กคนหนึ่งถึงเวลาเขาก็จะมาชงโกโก้ใส่ใสกาให้ มาถึงเวลาก็ก็เทสายโจ๊กเดือเสร็ดก็ไปนี่ต่อมาก็มีการพัฒนาเป็นการแทนที่จะให้ดื่มชงให้ใจกลางให้ก็ให้มาชงกันเอาเองใครอยากจะชานั้นก็ชา น, น้ำชากระชงเอาเองผัดกระเพก็ชงเอาเองแล้วบางทีก็มีวงสมอดองด้วย <c oughs> สมอดองก็มีไว้สำหะไว้ช่วยเช่วยเป็นยาร ะ, าระาบายพ <c oughs> ออาหารทางอีสานนี่บางทีอาจจะไม่ค่อยมี ทานแล้วมันท้องผูกได้เขาก็เลยอาศัยอาศัยพวกสมอดอกนี่สมอดอกมันก็มีผักผักอะไรที่เขาเรียกเป็นสมุนไพรแล้วก็ดูเั็นๆตอนนั้นั่งกินเนี่ยงคยําลที่เขาเรียกวก่ปารัาที่เขาเรียกว่ปลาร้าอ่าปาร้าเนี่ยบางทีท่านก็ไปต้มเอาหอมวุนี้ไปต้มต้มก่อน้น้ำือทั้งมีทั้งสมอน้ํามสมอใส่เข้าไปแล้วก็ใส่พวกผักปลาร้าเนี่ยเข้าไป ใส่ิกใส่ิงใส่ขาเข้าไปเป็นยาเป็นนี้มันก็มีการวิวัฒนาการมีการทักษะอย่างนี้แต่สําหรับพวกที่หัวกะท่นี้เขาไม่ต้องอาศัยเสียงอันนี้ถ้าสามารถไปได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเสีนีแ้แต่พวกจิตที่ยังอ่อนอยู่ยังยังยังหิวยังอยาอยกหลือก็อาศัยเสียงอันนี้เป็น ถ้าถเทแลวเป็นลงปอบเนียยังเป็นปอบเนีย <c oughs> ปอกยังหิวกับไอ้รูปเสียงกินวัดไอ้ต่างอะไอหลังก็มีพัฒนาไปเด้ยมีหลายอย่างเต็มไปหมดถ้าไม่คู่ค <c oughs> ุมเดาไปมาันนั่งคุยสนทนากันกลายเป็นการบ้านการเมืองไปรัดดีไม่ดีกายเป็นการทะเลาะวิวาทไปมนไมนกันมันจะต้องขยายไปเรื่อยถึงนั่งคอยคุม อาจารย์ครับอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปฏิจญาลุกโซ่ครับปฏิจญาสมุ ป, ปปาทะอันนี้เราจะนํามาใช้ได้อย่างไรครับแล้วก็ตอนแรกเริ่มนี่คิดว่าน่าจะเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาแค่นั้นก็น่าจะพิจารณาพอแลอ้วทีนี้พอถึงตรงนั้นนี่เราจะเป็นต้องไปรู้เรื่องตรงนั้นหรือเปล่าครับความจริงมันไม่ต้องรู้ปฏิจญาสมุปบาก็ได้เพราะถ้าจะต้องการ ร, รู้รู้แค่อนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะว่าต้นเหตุของโซ่ก็คืออวิชชาก็คือความหลงความหลงก็คือการไม่เห็นอนิจจังทุกข์กัณฑ์นักตาถ้าเราเห็นอนิจจังทุกข์กัณฑนักตาเราก็ดับอวิชชาพอดับอวิชชาไอ้ลูกโท่ที่ต่างๆมันก็จะดับตามไปเหมือนกับเราเหมือนกับกุญแจในรถเนี่ยมันเป็นตัวสตาร์ตรถนะพอเราหมุนไปปับ๊บ ไอ้เครื่องยนต์มันก็หมุนสายพานก็หมุนแอร์ก็ติดวิทยุก็ติดไฟก็ติดมันเป็นลูกโซ่ตามมาหมดแต่ถ้าเราติดตัวสวิตซ์ตัวเดียวมันก็ทุกอย่างมันก็ดับหมดเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ตรงตัวกุญแจเนี่ทั้นเองถ้าเรามีกุญแจแล้วก็ดึงกุญแจทิ้งไปเสี่ยรถมันก็วิ่งไปไหนไม่ได้ไอ้ภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ดับมันดับที่อนิจจังทุกขังนัตตานี้ท่านนั่นเอง ส่วนรายละเอียดว่ า, าวิชาทําให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณอันนี้มันเป็นมันก็เหมือนกับการไล่ไปว่าพัฒนารุดปับ๊บลูกศร ก, ก็เริ่มกระ บ, บอกศร ก, ก็เริ่มทํางานอันนั้นก็หมุนตามอั น, นี่ก็หมุนตามมีแล้วก็สามารถเปิดควายเปิดวิทยุอะไรนี่มันเป็นลูกโซ่ตามมาทั้งนั้นอันนี้มันเมื่อปฏิบัติไปมันรู้เองไม่ไม่ต้องไปกังวลตอนนี้รู้ก็ไม่เกิดประโยชน์แร้ว ไอให้รู้ตรงตัวนั้น้ตัวสามตัวนี้ท่านันึ่งก็คือตัวมิจฉาทุกข์ขันธ์จ้าตัวที่จะถอดกุญแจทิ้งไปตัวที่จะตัดตัววิชาผู้เป็นต้นเหตุของการสร้างพบสร้างชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดถึงเน้นเนื่องเมื่อกี้ที่ตอบปัญหาเนี่ยก็เป็นเป็นตัวเป็นตัวสําคัญเน่ยตงน้นวันนี้ท่านอาจารย์เมตตาพูดเรื่องลูกนะคะ ลูกทมีคำถามว่าที่ท่านจะบอกว่าลูกที่เป็นอย่างนี้เราให้แต่ละกายเข้ามาใจเท่าไหร่ทีนี้อย่างลูกดื้อเนี่ยนะคะลูกถูกตำหนิว่าเป็นเพราะเรี่องลูกไม่เป็มรี่ลูกมันไม่แน่ใจว่าถ้าเด็กเลื่อลูกเลื่อเนี่ยมันเกิดจากกรรที่เข้ามาหรือว่าเป็นเพรอเพราะลูกไม่เป็นหรืความดื้อของเขามันเป็นเป็นเป็นติดมากับเขาแต่การที่เราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเด็กเลื่อนี้มันเป็นเป็นเป็น ตัวเราคนที่คฉลาดบางทีก้ารู้จักวิธีปฏิบัติแบบคันดื้อได้พระองโลกรู้จากไทุไม่โง่ไม่โนเกิไม่รู้จักวิธีสอนเด็กเ่เนยอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนลูกได้ท่านลางท่านสอนวิธีให้รักษาสัจจะท่านก็ส่งยก ท่านตัดน้ำขึ้นมาขันหนึ่งแล้วท่านจะเทน้ําลงไปเทน้ำทิ้งนิดหนึ่งแล้วก็พูดว่าทุกครั้งที่ลาหุนพูดปวดนี่ก็เหมือนกับเทน้ําคือความดีในใจทิ้งไปถ้าพูดไปเรื่อยๆก็เทน้ำทิ้งไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่มีน้ําเหลืออยู่ใ น, ในอยู่ในขันก็เหมือนกับการพูดปวดถ้าพูดไปเรื่อยๆต่อไปจะจะความดีงามในในใ น, ในใจก็จะไม่มีเหลือก็จะได้เป็นคนที่ไม่มีใครเขเชื่อถือ มันอยู่ที่คนสอนว่าจะมีปัญญาที่สามารถที่จะสอนให้เขาหายดือได้หรือไม่แต่บางทีก็อา จ, จะสอนไม่ได้ก็มีพระา บ, บางรูปพระพุทธเจ้าเช่นใคยนะทที่เป็นคนที่เอาม้ากลับไปในวังตอนที่ท่านออกออกบรรพตออกออกกํะานเลยใ้ฉันนียนะคนนี้พระพุทธเจ้าก็สั่ง ส่งไว้เลยว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วพวกเธอไม่ต้องไปไปต้องไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาปล่อยเขาทำไปตามเรื่องของเขาให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาในชนะถึงกับร้องไหท้ที่ที่ท่านตาลกอย่างนั้นเพราะมันถ้าคนนี้สอนไม่ได้อรค์เจ้าท่ากนก็อย่าไปสอนครับใครไปสอนแล้วมันจะเขาจะเกิดทิฏฐิขึ้นมาทัที เขาจะเกิดความด้วยไม่ฟังใครจะฟังแต่พระพุทธเจ้าเพียงอยงเดียวถือว่าเป็นคนเสนิทที่สุดเลยกลายเป็นลูกศิษย์มือขวานี่มักจะมีทิฏฐิแบบไนี้คนเห็นแต่ไม่ได้มีแต่อาจารย์องเดียวเท่านั้นที่จะที่จะพูดจะว่าได้จริงๆริงเลวิธีที่ศาลเ้าก็เกิดบางทีตั้งปล่อยเขา อันนี้ก็เป็นการสอนเขาเือนกันก็าอาจจะเกิดจิตสำนึกขึ้นมาจะเกิดสำนึกได้ในใ น, ในโทษในตัวของเขว่าเรานี่มันดื้อจริงๆนะจงกระทั่งข้อแม่เราลักเรากขนาดไหนก็ยังไม่สามารถสอนเราได้ถ้าเราคิดว่าเขาดื้อจริงๆเราลองหยุดสอนนะครับปล่อยมันไปตามเรื่องบอกอะไก็ได้ต่อไปนี้ไม่สอนแล้วนะแต่ทะไรทํ า, าทไป คลุกก็ติดอะไรนั่นไม่ไปเยี่ยมไมไนะตายอะไรนั้นถ้าอย่างนี้อาจจะอาจจะทําให้เขาได้สติขึ้นมาก็ได้ทีเรามันไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตใจเราไม่ไม่เด็ดขาดเราก็ยังอ่ะยอมเข้าไปเรื่อยเขาก็ได้ใจดื้อไปเรื่อย ที่ทาทนนของตัวเองนะคะคือว่าเออเวลาเราพิจรนารณาใช่ไหมคะเรก็ยอมรับในในส่วนหึือที่ว่าเ อ, อ่ออย่างอย่างน่ากายเนี่ยบางครั้เราเก็บเนี่ยแล้วก็อไม่ใช่ของเราเนะ่ค่ะมันรับปวดเนะะี่ยแต่พอระยะหนึ่งแล้วก็าตว่าเราเรายอมรับแล้วนะคะแต่ก็หายจากไข้หรือไรแล้วเนี่ยอาทิตย์สองที่เนี่ยจะเกิดความเห็นขึ้นมาคือคือเห็นธรรมะุดขนมาเองเนี่ยคะ่ะ แสดงว่าอย่างไรคะสิ่งที่เราพิจารณาน้ไม่เข้าใจจริงหรือเปล่าคะเห็นธรรมะเห็นอะไรเราได้เห็นอะไรคือค่อนข้างที่เห็นแบบว่าไม่กลับยอมรับยอมรับทางจิตนะคะเกิดขึ้ไหนสองสองหรือสามทิศระยะหนึ่งนะคะไล่หลังหลังถ้าเกิไงเกิดเพื่อว่าถ้าเว่าเออมันไม่เที่ยงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรก็าเกิดขึ้นก็ดีถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงก็เวลามันแล้วก็จะไม่เราก็จะไม่หวั่นไหวกับมันเวลามันเกิดขึ้น นั่นคือป้างหมายที่เราต้องการก็คือจิตใจของเราไม่หวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราผ่านมันได้หนึ่งแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ตลอดเช่นเราเคยผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยมาโดยที่เราไม่มีความรู้สึกหวาดยิ้มตกหายก็หายไม่หายก็ตายเราความมันหายเราก็ไม่ได้ดีออกดีใจแต่เรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอีกจะเป็นอีกเราก็ไม่กลัวมันอีก ถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าหายแล้วก็คราหน้าไม่อยากจะเจอมันอีกนี้แสดงว่าไม่ใช่ละถ้ายังมีความกลัวมันอยู่แสดงว่ายัางยังยังยั ง, ยงตับมันมีมยค่ะต้องไม่กลัวมันธรรมัมมะจะถูกมันยังไงไม่สาคัญมันสำคัญอยู่ที่ว่าใจเราหลุดพ้นจากมันหรือเปล่าใจเราปล่อยวางมันได้หรือเปล่า ธรรมะที่ผุดขึ้นมานี้อาจจะมีประโยชน์ในการช่วยให้เราปล่อยวางก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราถ้าเราไม่รู้จักเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่งที่หลวงตาท่านเล่าให้ฟังว่าอะไรมีจุดมีต่อมปรากฏขึ้นมาบอกใจท่านแต่ท่านเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ท่านไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นธรรมะสอนให้ท่านปฏิบัติกับใจของท่านในตอนนั้นให้ปฏิบัติอย่างไร แต่ถ้าท่านบอกวถ้าเอาไปเล่าให้หลวงปู่ม่นฟังหลวงปู่จะชี้ไปแล้ตรงนั้นแหละตัวนั้นแหละคือธรรมะที่ชี้ก็คือให้ปล่อยวางเหมือนกันไม่ว่าธรรมะอะไรเกิดขึ้นมาจะจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามในใจนมันยังเป็นมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังขนาดนี้เราจะเอาไปทําให้มันเกิดประโยชน์ได้หรือเปล่าอยู่ตรงนั้นตา่าง เราจะไปดับความหลงที่ทำให้เรายึดติดได้หรือเปล่าถ้าเราอาไปทำได้เราก็เราก็สบายถ้าเรายัางทำไม่ได้เราก็ยังทุกข์มันอยู่เาฉะนั้นอย่าไปอย่าไปให้ความสำคัญต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในใจเราให้พิจารณาให้ว่ามันเป็นตายรั์ไปก่อนคือเป็นอริจังทุกขังหน้าตาเหมือนกัน คือมีการกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ไหรือไม่ก็อยู่ที่สติปัญญาของเราเหมือนกับคนที่เขาหยิบมีดให้เราให้มีดเรามาเล่นเราเอาไปใช้ทําประโยชน์ก็ได้หรือเอามาทําโทษกับตัวเราก็ได้มาทำร้ายตัวเราก็ได้ดนั้นทําต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจนี้ไม่ไดหมายความว่าจะ เป็นตัวที่จะทําให้เกิดวิมุติขึ้นมาเป็นเพียงสิ่ที่จะช่วยจะเสริมด้วยจะจะฉุดลากให้เราหลงไปก็ได้ถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปก่อนถ้าไม่รู้จะทำอย่างไรกับมันถ้ารู้ก็อเอามาใช้ได้เลยเช่จนถือว่าปรากฏเป็นภาพเรานอนตาอยู่อย่างนี้ เราอเออจริงนะเราต้องตายอย่างนี้จริง ๆ, ๆแล้วเราก็เอามาเราเล่น อ, อยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจเรามันก็จะกลายเป็นมรณะนณสติขึ้นมามันก็จะเป็นการพิจารณาอนิจจังทุกข์เขาหน้าตาขึ้นมามันก็จะทําให้เราไม่หลงหยึดติดกับร่างกายทําให้เราเตรียมตัวเตรียมเตรียมเตรียมตายให้เราตายก่อนตายเรารู้แล้ววันเราจต้องตายเอสเราก็เราก็สมมุติว่าสมมติเราตายแล้ววันนี้ เราต้องไปกัวงวลกับเรื่องอะไรไหมคนที่ตายแล้วเขาไปกัวงวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะเขาไม่กัวงวลแล้วใครจะดีใครจะชื่วจะมีอะไรอย่างไรเขาก็ถือว่าเขาอยู่นอกระ บ, บุลาเขาไม่ได้อยู่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใจของเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะตายกับเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะดีจะชื่วก็รวบรู้ไปเฉยๆเท่านั้นเอง แต่ใ จ, ใจมันด้านมันตายกับความรู้สึกไม่มีความรู้สึกดี อ, อกดีใจเสีย อ, อกเสียใจหวั่นไหวหรืออะไรกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือความหมายของตายก่อนตายร่างกายของเราจะเจ็บไข้ใจปวยจะหายไม่หายจะตายเมื่อไหร่ทีนี้ก็จะไม่มีอารมณ์อะไรทันใจมันด้านกับเรื่องราวงนี้นะเพราะมันรู้ว่าในที่สุดมันก็จะเป็นภาพที่เราเห็นนั่นแหละ ภาพที่เรานอนตายอยู่มันหลอกลูกกระหล่อมหัวมันหลอกหลอกอะไรอย่างเงี้ยอ่นนังสือก็ไม่เป็นรก็มีความจํมความจำของร่างกายถ้ามันจิตใจมันยังไม่โล่งไม่ไม่เบาไม่สบายแสดงว่ามันยังไม่ได้ปล่อยถ้ามันปล่อยแล้วมันจะโล่งมันจะเบามันจะเหมือนอยู่คนละโลกเลยทีนี้อะไรจะเป็นอะไรกับร่างกายนี้ก็มัให้มันเป็นได้สบาย เขานั่งที่เขนั่งมาี่ไปนานๆเข้าสองชั่วโมงแล้วเาก็ที่ตอบคาถามแล้วที่เขาร้สึกไม่อะอ่าเงี้ยค่ะแล้วก็มีบอกว่าจะบอกขอกว่าพอแานาอะไรเงี้ยโอ้นั่งนานแล้วนจะนั่งนานแล้วลุกเถอะอะไรอย่างเงี้ยทอเขาก็นนั่งอหยุดมันไม่ไหวมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วาก็รู้พอลกเสร็จปุ๊บก็เดินไปเปิดทีวีเลยค่ะแที่เหลืไงที่เลมันคหลวงมันยังติดอยู่กับรูปเสียงกินรดอยู่ พอมันพอมันนั่งสมาธินานๆมันก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่นานๆมันก็อึดอัดอึดอัดใจกระทั่งมันเต็มที่แล้วมันทนไม่ไหวแล้วมันก็ต้องลุกไปหยิบบุหรี่เส้นมาสูบหรือคนที่อยากจะดูอยากจะฟัามันก็ต้องรีบไปเปิดทีวีไปอะไรก็ตา ก็คือว่าั่างนั่งยังไม่ได้ผลไงนั่งยังไม่ได้ผลจิตยังไม่สงบนั่งได้เวลาแต่ไม่ได้ผลทางจิตใจมันเปกถ้าจิตสงบแล้วถึงมาจะลุกออกมาจะต้องสึกเย็นสบายไม่หิวไม่อยากกับอารมณ์ต่าง แต่ก็ยังดียังนั่งได้ ย, ยังดีพอดีกว่าเอาสองที่ยวหลวงนั่นไปนั่งดึงทอนครับนั่งแล้วก็ยิ่งจะเกิดอารมณ์เกิดอะไรต่างๆสร้าง ม, มาอย่างน้อก็มีขันติมีความอดทนมีความอดก้นอย่าง น, น้อยก็มีเบรกบ้างก็ยังดีเท่งแต่ว่าอาจจะนั่งเพราะว่ที่ไม่ได้ผลเพระสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองนั่งไปแล้วก็จิตก็ยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่อง น, น, นี้อยู่ไม่อยู่กับ ไม่อยู่กับธรรมะที่เราให้มันอยู่ด้วยเพราะเราไม่ได้ฝึกเวลานอกออกจากนั่งสมาธิเราไม่ฝึกสติต่อออกจากสมาธิก็เหมือนกับออกจากห้องเรียนออกจากโรงเรียนปล่อยครูป ล, อล่อยให้ไปเล่นได้เลยไม่ได้ความจรงนั่ปฏิบัติแล้วจะต้องคุมคุมคุมจิตอยู่ตลอดเวลามันครูปล่อยนักเรียนรอนเต็นหนังสือเลิกแต่ <c oughs> มันยากตรงนี้ยอยู่ที่การคุมสติคุมจิตด้วยสติ ถ้าอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเวลานั่งสมาธิไม่นานะรับรองได้จะต้องสงบจะต้องเย็นจะต้องสบายตอย น, อ ม, นมันเย็นสบายแล้วมันไม่อยากดูเองมันมันเบื่อไปเองไม่รู้จะดูอะไรเรื่องไร้สาระทั้งนั้นดูซ้ําๆำซักจ้ นั้นก็กลับมาที่เริ่มต้นอ่ะก็คือตัวสติที่ปฏิบัติกันมามากน้อยเท่าไรที่ไม่ได้ผลก็เพราะสติมันไม่ขอสติมันยังห้าสิบห้าสิบอยู่มันต้ 60, 40, 40, 70, องหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบมันมันก็จะมากข ค, คือให้อยู่กับธรรมะ ม, มากขึ้นให้อยู่กับเรื่องอย่นน้อยลงให้อยู่กับธรรมะ ม, มากขึ้นยามากขึ้นยามาจิตก็จะนิ่งลงมากขึ้นมากขึ้นไป เรคิดนิ่งก็จะเกิดความเย็นความสบายความอิ่มเอิบใจความพอใจขึ้นมามันก็ไม่หิวกับเรื่องเอแล้วมันจะมีกําลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นเราจะเรียนสติบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วทีนี้ผลมันก็จะเริ่มปรากฏมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไนเรื่องๆของโมลี่มันมันทวีคูณขึ้นไปมันไม่มันไม่ได้บวกหนึ่งหนึ่งทีละหนึ่งทีละสองไปมันจะจากจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปด มันจะคูณตัวของมันเองไปเรื่อยๆนี่พอมันจิตมันเริ่มไปแล้วมันจะไปเลยแต่ก่อนนั้นโอทสะสมมาไม่รู้กี่ร้อยกี่กี่กลับกันมันก็ยังไปไม่ถึงไหนเพราะมันยังไม่ได้ไม่ได้ถึงจุดที่มันจะเริ่มเริ่มเริ่มหมุนไปพอมันได้จุดที่หมุนไปแล้วเกินได้สติตอนนี้แล้วมันไป ปนี้ถึงสาคัญพระพุทยาติงก้ารับรองเลยว่าไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างช้าแล้วก็ยังไม่เกินเจ็ดวันจะต้องได้แน่นอนผม <c oughs> มีไหในปายพระมีการต่างไทยก็มีในพระสูตรนี้พระสูตรเดียวที่ทง่งทรงพยากรณ์เนยธรรมะอันนี้ถึงสำคัญมาก เป็นกุญแ จ, จสูมรลักความมิตรภาพค่ะคือ<ง>คื อ, ค อ, อมี ม, มีครั้งหนึ่งที่ลูโกโกรธแล้วก็ก็คิดว่าที่โกรธเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาทำไม่ได้เหมือนกับใจเราทีนี้ไอ้ความที่เพราะว่าเราเหลงว่า ค, คือแยกไม่ได้อะค่ะว่ามันหลงเพราะว่ามันเป็นไม่ไมเที่ยงหรือไม่ใช่ตัวตนหรือหรือยังไงอะค่ะตรงนี้ที่ไม่ที่ยังเทียบกับชีวิตจริงๆไม่ได้อะค่ะอ๋อก็คือว่าเราไม่เราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่จะเป็นไปได้นั้นมันเป็นคนละอย่างกันสิ่งที่เราคิดนี้มันเป็นทฤษฎี ส, ส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้มันเป็นความจริง เรายัางไม่สามารถประเมินผลของความจริงได้ว่ามันไม่แน่นอนสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดแต่มันอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นี่ก็คืออันนี้จังเหมือนกันเรามองไม่เห็นความไม่แน่นอนของสิ่งที่เราประเมินเราคิดว่าเราสั่งคนนี้ให้ทําอย่างนี้เราจะต้องทําตาม ท, าที่เราสั่งได้ทุกประการแต่ความสามารถของเขาของเราอาจจะต่างกัน สติการรับรู้ในขณะที่เราสั่งเขานี้เขาอาจจะฟังไม่เข้าใจใสิ่งที่เราสั่งให้เขาทำํำพอเขาไปทําเข้าไปทําสิ่งในทางตรงกันข้ามกับที่เราสั่งให้เขาทําผลที่เราต้องการให้เกิดมันก็ไม่เกิดพอไม่เกิดเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาเอ๊ะเราสั่งให้ทํานี้ทํำไมไปทําอีกอย่างเพราะเวลาเราสั่งเขาเขาฟังไปอีกอย่างสั่งให้ไปไปปิดน้นะําเนี่ยมันไปปิดไฟเนี่ย ใจขนาดนั้นม่คิดเรื่องนี้มันอาจจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องปัญหาของเขาอยู่เพราะมีปัญหาอะไรอยู่ไม่รู้แล้วเราไปสั่งงานให้เขาเขาก็คาดคาดคาดว่าเขากลัวถ้าเราไปถามว่าฟังไม่เข้าใจก็จะโดนดายก็ง่อขนาดนี้แบบพูดคาแค่นี้บางคนมันไม่กล้าถามไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าได้ยินอะไรก็กลัวเพราะความกลัวก็เลยทับไว้ก่อนคาไว้ก่อนพอเราพอเราคิดว่าเขาเขาเข้าใจแล้วเราก็เลยไม่ ไม่ทบถวนเขาวีเราต้องให้เขาพูดกับเราว่าเมื่อกี้เราสั่งเธอว่าอย่างไรเพื่อความมั่นใจเมื่อกี้ฉันสั่งให้เธอทำอะไรให้ดูซิว่าเขาพูดตามที่เราสั่งได้นี้เปล่าถ้าอย่างนี้แล้วโอกาสที่มันจะทาตามเราเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะความสามารถของเขาที่จะทาตามที่เราสั่งได้นั้นมีมากน้อยเพียงไรบางทีสั่งแล้วเดี๋ยวลืมก็ได้ เดี๋ยวเกิดไปดูทวารทัพนะดูเพลินพอถึงเวลาที่ต้องทำในสิ่งที่เราสั่งให้เขาทําเพื่อไม่ได้ทำํำงั้นปัญหาก็คือเราอย่าไปมีอุปทานกับความคิดกับคํากับการกระทําของเราว่าเราสั่งอะไรแล้วมันจะต้องเป็นไปตามคําสั่งของเราเสมอไปต้องมีเผื่อปเปอร์เซ็นเผื่อว่ามันจะไม่เป็นเพราะความไม่แน่นอนเพราะมีเหตุมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้ สิ่งที่เราต้องการนั้นปรากฏขึ้นมาความไม่แน่นอนนี่คือความไม่เที่ยงเหรอค่ะใช่มันไม่แนนอนมันมันมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เป็นไปาตามที่เราต้องการมันก็ไม่เที่ยงนะถ้าหนูบอกอานาคตมันโคตรไปโคมาทำไงในอนาคตอย่าไปคิดว่าเราจะกำหนดอนาคตได้ว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้<ม>พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการก็ได้ เพราะความไ ม, ม่แน่นอนใช่บางทีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เราคาดหวังผลที่จะได้รับหรือเปล่าว่าเราสั่งไปอย่างนี้เราคาดหวังว่าผลมันต้องได้อย่างนี้มันก็นามาซึ่งเมื่อไม่ได้มันก็เกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เกิดโมหะตามมามถ้าเราไปยึดติดกับความความหวังเน่ยมันก็จะก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ยึดติดกับคาสั่ง ว่าเราต้องสั่งงานกันแต่เราต้องมีธรรมะก็คือต้องรู้ว่าเฮ้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นตามที่เราต้องการก็ได้แต่เรามักจะยึดติดคาสั่งขอ ง, งเราสั่งแลจะต้องได้สิ่งนั้นขึ้นมาถ้าได้ก็รอดตัวไปก็ไม่ทุกไปวันนั้นถ้าไม่ได้ก็ตัวหัว ก, ก็ต้องมาแก้นแต่ถ้าเราทําใจให้ให้ว่างๆให้เป็นกลางว่า อาจจะได้ห้าสิบห้าสิบทุกอย่างห้าสิบห้าสิบหนอาจจะได้อาจจะเกิดขึ้นตามที่เราสั่งก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราสั่งก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นพอมันเกิดขึ้นมาทางใดทางหนึง่งเราก็ไม่เดือดร้อนคือเราไปยึดติดกับสิ่งที่เราสั่งว่าเมื่อสั่งแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นในแรงอุปทานความยึ่มั่นถึงมัน คือเราไปยึดติดกับอน า, นาคตที่เราทำนายไว้ว่พยากรณ์แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นสั่งคนนี้ให้ทำอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่อนาคตมันไม่แน่นอนสั่งเขาแล้วก็อาจจะไม่สามารถทำตามคำสั่งก็ได้เหมือนคนที่เขารลบอกปากแล้ ว, ว่าจะทาอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้กับเราพอถึงเวลาไปไปไ ป, ไปเอาของที่เราสั่งให้เ็าทำให้เราก็บอกอยังทําไม่เสร็จ ถ้าเรามีความยึดมั่นถึงมั่นเราเตรียมพร้อมที่จะมารับของนี้เพราะเราต้องเอาของนี้ไปทํากับงานนะอย่างนั้นเราก็จะปวดหัวเป็นอะไรจริงแต่แต่ถ้าเราเผื่อใจไว้ก่อนว่ามาจะไม่ได้นะยัง <c oughs> ไม่ได้เราก็จะได้คิดเผื่อไว้ว่าถ้าไม่ได้แล้วเราจะทํายังไง <c oughs> แล้วก็มีมีช่องไว้ช่องช่องเผื่อไว้พอไปถึงก็เหรออ้ายังไม่ได้อาไม่ได้ไม่เป็นไรรู้หรือว่างก็จบเตรียมใจไว้ก่อน แล้ววันหลังก็อาจจะไม่ไม่ติดต่อกันอีกก็ได้หา <c oughs> คนที่ที่ไว้ใจได้คือบางคนนี้เขาก็คือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นกันแล้วกัน <c oughs> แต่ว่าร้อเป็นไม่ได้เพราะบางทีเขาก็อาจจะไม่ <c oughs> ไ, มไม่สามารถทําตามที่เขารับปากไดอ้อาจจะมีเหตุสุดพิสัางนี้เราก็ต้องเข้าใจาใจของเราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรทั้งสิ้น แต่สิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นได้ก็คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้เอาอันนี้จังทุกขังอนัตตานี้ยึดมั่นถือมั่นได้กิดแก่เจ็บตานี่ท่านท่านเป็นหมอดูที่เล่าที่วิเศษแล้วแต่พวกเราแบบไม่ไม่เชื่อท่านอะ่ะช้าไปดูหมอดูหมอเดามัน <c oughs> ว่าจะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่าว่าจะได้คู่ครองที่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ชอบ นี่เป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของเอกผลเพราะอนาคตมันแ น, แน่นอนที่แน่นอนก็คือความความแก่ความเจ็บความตาย อ, อยู่กับความแน่นอนดีกว่าแล้วสบายใจ ตรงนี้มีกิรธรรมแน่นเจ้านะครับมาแล้วแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของอ่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะมีทั้งภาษาไทยสองพัสองสินะครับเรื่องแล้วตรงนี้เล่นเก้าได้เลยแน่นเก้าเออท่านผูเจ้าท่านท่านแสดงมหาสัมปชัญญะเรื่องไหน ไม่ได้ไม่ได้ส่งต่อเลยดีกว่ามันคงมีบอกแต่ไม่ได้ไปศึกษารายละเกียดเพราะรู้สึกว่าจะมีหนังสือที่เขารวบรวมเวลาอาจารย์เรียงามลาดับที่บ้างอที่อาจารย์เยอะแน่เจ้าละเน้นเล้นเน้นนิดเดี่ทำเสือไว้เสือจะดีแ่จันัไม่ได้ทำเยอะ 好，可以。 ขออีกขออีกทีน่าแจกแจกครับแจกครับอ้หลังนี่ก็เจอแจกนี่ต่างจังเลยก้อให้ได้วะคกรจะเป็นวันเสาร์ที่สามไม่ได้มไม่เป็นไรเราบอกว่รินใช่ไมใ่ไม่ต้องมาพระวมาแล้วมันจะไม่สบ แ่กนมไม่อะไรที่ส่ง้หัมาวันที่ไม่ใช่กระตินดีกว่าคิดต่อว่าผก็คุยกันก็จังี้เมอย่ามาเ้าท่านอิดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตุดสาคัญอะไรวันเจมาวันที่งแนได้หมจ๊ะได้วันไหนก็ได้ที่น่ย่ าม่สามวันตรงเลยให้จัดมิจะไปวันตัดกันเราไม่วันวันที่รับประจุที่วันนี้บอกให้ทราบว่กลัวจะกลัวจะมาวันตรงกันเพราะจะไม่สะดวกอ้าถ้าถ้าเป็นงานกะถินอย่ามาเพราะว่าเราต้องติดกิจกรรมทีกิจกรรมเยอะนต้องก็บันตัดต้องอันนี้เป็นภาษาอังกฤษไม่คุ้นตท้อ ที่บางออนมากราบท่านใช่ไหมใช่การบางอ่อนบ้านศาสตนี่การน่บดวูบป็นตานมานานเหมือนมามากับคนบั็นตานหลายคนนี่ไม่แน่าจมามาค่ะมาเ็ไม่ได้บอกว่าเขามาจากบ้านาสตรอมเมื่อไหร่มามาก่อนลูกมาคาพี่แล้วมาเป็นเย็น อ๋ออ๋ออ๋อใช่ใชพนบารีแท้ลงทางอยู่ถ้าจะลงไปก็ได้ใช่คุณปูบอกถ้าถ้าวันนี้มาถ้าฝนกวายแล้วนะคะราคาที่เรวหายไป คุณบังรอที่อายุมากมากใช่ค่ะแกมึงอ่อนท่านพูดตรงไปตรงมานะตอนที่งงลูกงงมากเลยโทรไปหาลูกบอกว่าเย่ปูกเช่นไปหาเจ้าคุณเล็กมาเอ้ยใครเจ้าคุณเล็กจุลนายนยกมาบอกว่าท่านบอกว่าแกพูดเหมือนผู้ชายได้ไแต่ว่าเป็นปานน้ำไม่ต้องเป็นเกินก็ได้เป็นน้ำ เราจะบอกบอกตัวแกว่าแ ก, แกพูดเป็นเหมือเป็นมือนผู้ชายฟังไม่เหมือนผู้หญิงพูดเลยแกบอกแกบอกลูกว่า้นจกแ ก, ก, ปกไปบชีชิ้ชมแนมได้ไม่ี้้หนเฮอยู่ประเทศจันันปากวาก็อยู่ที่้านนี้เมือก่อนอ๋อแล้ว่เา่นีเมื่อก่อนเลยชแไม่ชีม่ชาเขาบอกแ่อยู่เลยี่่กับเพื่อนอ่ี่ป ใครจะเข้ามาสบายสิ่งเดียวแต่ไม่ได้มาถ้าอาจารย์มีเสียงมาไม่ใช่ รายเดียวเดียวเดียวคุณถูกับไปันก็ยกไปขึ้นไหนีเลยยกไปได้ยกไปได้เลยครับเม่อกี้เรียนมที่บอกนะมันที่คุณบอก ดูไปแล้วอนที่13วันโทรกับมาวันเชาต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วโทรกับมาร้องไห้เดี๋ยวเอาผ่านให้ที่เไม่ใช่ชื่อบูชาเลยตนี้มันเกิดจิงเขด้วยใรนหวันแวหวันแนเิดเดี๋ยวชื่อาูชาไปตัง เือยัีค่ะไม่รู้ใครมาข้าดคือเป็นวิธีแปลงผ่านที่ทเจ อ, าอมาทางนี้และนดเป็นเดือนเป็นเดือนเดือเกิดอะรม า, อ, าอยากทำฐานทานขันตัว<ำ> คือเป็นเพื่อนเบควบควบดวงในไหคือทำานใชมากับเช้านี้หรือเปล่าไม่แน่พาเป็นแม่เป็นแม่มันงแต่เช้าไม่ได้มาไม่ได้มาแต่กับหมอ ไม่ใช่ยาหลายไม่ใช่ยาหลค่ะหลายสิะละลายน้ำาจ้าคะแล้วของหลิวเขาก็ฝากสตังลูกไว้ทำบุญลูกก็เลยมาที่เอาเขาเขาอร้นหวานนี่เธอขายไหมเนียห้อยหินเจ้าค่ะ อันนี้ปลูกถวายให้น้ำนตาลหวานฮะถวายแฟนค่ไนี่น่ยค่ะลามลองดูดดูดูดูู่ ปเป็นอะไรกันคนอย า, า ก, กได้ของกินละท่านกับพี่ชื่อนาสำหรับโยมแม่ท่านได้หรือเปล่าไม่ทราบพระค่ะมันจะเป็นมัจะมีสำหรับคนอายุห้าสิบขึ้งไปมีแคลเซียมต่างๆถวายปีเต็ แล้วก no. ็ขมีส่้ววันวันละเมตรเซ็นทรัมเซ็นทรมามีเี้ยววับเซ็นทรัมแล้วป่ะเซเว่นเซเว่นเเว่นนเดี๋ยวขาวนานท่านจะได้รลฟก็ตกเลยม้เป็นการขาลูกกลับก็เป็นการหลุดไปต่อวันนี้เขาคงพอใจช่วยติด แล้วก็มีน้อง อ, อ, อยู่โรงแรมอีนเยอะค่ะลินเนี่ยอ่านของท่านกันครบเก้าเล่มเลยแล้ววิ่งตามมานี่ค่ะมีใครอีกไหมมีใครมีคำถามอีกไหมค่ะมีคำถาม ถามด้วยครับมีคำถามเชิญเลยนะครับไฟไม่ติดเพราว่าเรื่องดับแล้วอ๋อเขาไอ๋อเกิดไหมรั้นก็ไปติดตรงนู้นสิค nos ่แต่ไฟนี้ไม่ต้องเปลียนไม่ใหต้องติดแม่แรงจ้ไฟดางนี้ไม่ติดนะดับแลดั่แกหรืต้องติดอ ไม่มีอะไรไม่มีคำถามที่จะถามถามเก่ยวกับอาถามเกี่ยวกับคนแก่อายุแปดสิบกว่าเนะ้ยตค่ะเป็นคนจีนเราอยากจะให้เขาน้อมนั่งคือเขาคงไม่สามารถมาอย่างนี้ได้แต่เราอยากให้ทําบุญเพื่อเผื่อไปก็อยากให้คุณย่าได้บุญนั่งก็อยู่ที่ว่าคุณย่ามีกําลังที่จะทําอะไรได้ บุญก็อย่างที่ได้แสดงไว้บุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการสังเทศ ฟ, ฟังธรรมไม่เคยฟังเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นแบบจีนนะเจาค่ะบบเราบุอให้ทานได้ไหมล่ะใช่ไหมทํา บ, บุญให้ทานเคยเคยบอกให้อาม่าว่าจะไปทําบุญก็อาม่าก็ให้มากันเหมือนไม่แน่ใจว่าใจคออ ก็ยังดีก็ถ้าท่านให้มาโดยที่เราไม่บังคับท่านถึงแม้จะไม่เต็มใจท่านก็ยังทำอยู่เบื้องต้นก็อาจจะต้องถือไถ่กันไปก่อนแต่ถ้าทําแล้วเห็นผลเห็นเห็นเห็นผลเห็นคุณของการทําท่านก็จะทํามากขึ้นไปเองแต่เราต้องเข้าใจว่าความอยากของเรากับความความเป็นจริงของท่านนี้มันอาจจะไม่ตรงกันเราก็ต้อง อย่าไปยึดติดกับความอยากเรามากเกินไปจนทําให้เราไม่สบายใจคือเรามีวิธีที่จะมีวุบายที่ทําให้ท่านได้ทําบุญได้แล้วก็ทกําไปถ้าเราทําไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลเรพราะท่านก็อยู่ของท่านมานานแล้วท่านก็คงจะทําอะไรมากกว่าเราที่ก็สําคัญขอให้เราดูแลท่านให้ดีๆ ด, ด, ดีกว่าคือตัวเราเนี่ยควรจะทำบุญมากกว่า กังวลให้กังวลที่จะให้ท่านมาทำบุญแล้วบางทีความอยากทำบุญของเราอาจจะทำให้แทนที่ตัวเราจะทำบุญเรากลับไม่ทำบุญเช่นเราไปเที่ยวเข็นท่านหรือว่าเราสร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเราเองเพราะกลัวว่าท่านจะไม่ได้ทำบุญไม่ได้ไปดีอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็ น, ปนการกระทำที่ถูก การปรารถนาดีก็ดีแต่ต้องให้อยู่ในขอของเหตุผลของความเป็นจริงของของความเป็นไปได้ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วแล้วเราเกิดความทุกข์ใจนี้มันก็เป็นอกุศลสําหรับตัวเราเองเพราะมันสร้างความทุกข์ใจทำให้ใจเราเศร้าหมองเราก็ต้องย้อนกลับมาหลักกรรมที่เมื่อกี้ได้พูดไว้ว่ า, วาสั้งหลังมีกรรมเป็นของของตนเขาก็ต้องทากรรมของเขาไป ทีนี้ตอนนี้เขาอยู่ในอยู่ในฐานะที่จะทําได้ไม่มากก็ต้องอยอมรับความจริงว่าสังอาหรร่างกายของเขาบังคับให้เขาทาได้เท่านี้นั้นความอยากของเราก็ต้องระวังอย่าให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่าให้มันเป็นตันหาความอยากมันเป็นสองอย่างเป็นมรรคก็ได้เป็นตันหาก็ได้เช่นอยากอยากให้คนอื่นทําบุญอยากจะทําบุญอย่างนี้ท่านเรียกว่ามรรค แต่ถ้าอยากแล้วไม่ได้ดังใจแล้วเกิดความเสีย อ, อกเสียใจนี่ก็กลายเป็นตันหาไปเ ป, เป็นสนุไทยเป็นต้นเหตุของความทุกข์น <c oughs> ั้เราต้องดูความจริงเป็นหลักด้วยท่านเป็นอย่างไรท่านทําได้มากน้อยเพียงไรเราก็ควรที่จะยอมรับความจริงนั้นปรใจนนะ <c oughs> ความจริงเราเราเราลักใครเราก็อยากจะให้เขาได้ดีแต่ความจริงมันบางทีมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราพระพุทธเจ้าก็อยากให้เราไปนิพพานกันทุกคนแต่พระพเจ้าไม่ไม่ได้มาทุบกับการที่เราจะไปหรือไม่ไปท่า น, นก็ทรงทาหน้าที่ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งก็สอนคนต้องสามสี่รอบแล้วตั้งแต่บ่ายก็สอนญาติโยม ตอนค่ำก็สอนพระภิกษุสามเณรตอนเด็กก็สอนเทวดาตอนเช้าก็เล่ยงยานเพื่อที่จะเ ป, ปดิดปรวตคนที่พร้อมที่จะรับธรรมะของท่านท่านก็ทําอยู่ทุกวันตลอด45ปีก็ทําได้เท่านี้แหละท่านก็ทําสุดเต็มเต็มที่เต็มความสามารถแล้วเราก็ขอให้เราทำตามเต็มที่ตามความสามารถของเราเท่ากันทําให้ทําให้ท่านได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ทําไป ทำให้ท่านมีความสุขใจในปัจจุบันนี้ก็เป็นได้บุญมากแล้วเช่นอยาาไปทะละกับท่านอย่างนี้ไปบังคับใจท่านถ้าท่านไม่อยากจะทำเราก็อยากไปบังคับใจท่านจันอยากให้พวกผู้ศึกไปนิพพานไหมคะ ผมอยากจะให้ไปตั้งแต่วันนี้แล้วเนี่ยจะได้จะได้ไม่ต้องมารบกวนมีของีแล้วเลยองเี้ไปไหนเลยไม่ขึ้นฉันเไม่ต้องเรียนจบต้องเลิกต้องไปไปย้ายไปโรงเรียนที่ยังมาอีกนั่นแหล ย้มซชั้นอาชั้นเนี่ยอาจารย์สอนลูกศ okay ิษย์ก็ทงาน่อยากให้ลูกศิษเรียนพาดชั้นให้ให้เรียนจบได้รับวเป็นยาทุกคนมันยังมาสอนให้ปากเปี่ยปากฉิดทำไงก็มีนักเรียนดีเด่นไปคนนกันะเร็ค่ะียนเด่นไปเลย ก็ดูไปก่อนพอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อาจจะเป็นม้าตีนต้นก็ได้วได้ช่องเลย ตัวมันจะสายไปนะไอถิ่ปลายสายหมดแม่งก่อนนะพอมีหมดเวล่าวันนี้แข่งขันกันแล้วหนาวนะเ่ยอนนี่ยยะท้าวาวิวาหาปุราเปริตุเรนติสาการ เอวเมวะอิโตตินังเปตาังอุปกรปติอิจิตังปฏิตังตุหังคิปะเมวะสัมมิจโสัเพปุเรนตุสังกะปาจัณฑูปัญาระโสยถาเมณิโชติระโสยถาสัพพีตโยวิวัชฌานตุสัพพารโควินาศตุมาเตภะวัตวันตาราโยสุขีธีขาโยโภพวะ อาพิวาทะศิลิสะนิจังุทธาปะจายินตจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโยสุขังะลางสานุชาวนายังไม่ได้กำหนดกันใช่ไหมกลางลายกันญาเนี่ยลายกันญาทราบแล้วก็แจ <umen Ma. c oughs> ้งมาก็แล้วกัน ที่ลูกรวมไว้แล้วลูกแบ่งเป็นพักๆไว้ที่ลูกสลับกันได้กันของแต่ละกันคือตอนนี้เราต้องใส่ซอสของของก็บางอันเนี้ยมันคาถามมันมันจะต้องมีบทนํานิดหนึ่งที่ท่านอาจารย์เทศนิดหนึ่งแล้วก็จะยกตรงนั้นมาบ้างสลับได้นะคแต่ไม่ไม่ต้องใส่ซอสไม่ได้นะก็ถ้าเอามาจาก้างการอะไรน่ก็รู้กันจริงจริง ใส่ก <m uch in> ็ดาจากกันในเหมือนเเวลาเราทำโเราจะตัดตอนเราจะบอกเข้ามากันกันนีนมื่อเวลาจะราพานคนอ่านมันจะรำพานหรือคืนลูกค้าก็คือเขาเป็นคนได้อีกกาแฟมันก็เหมือนกันคนมันก็เหมือนกันต้นตะไคร้ก็มันก็มาจากเดียวกันแต่ยาจัลันก็ได้ไม่ไม่ขาดแต่เรื่องไมหลับตอนนี้ทากีฬาแต่เพราะว่าคนอ่านต้นที่อ่านเป็นการรำาอ๋อ ตอนนีญญล้ญญลูกยังกักษาต้นฉบับไว้แต่ว่า คือเรียงตามกันนะคิดว่าอยากจะสลับบ้างสลับเรื่องด้วยว่าสลับกันนะคือคำถามที่มันเป็นเรื่องเดียวกันจะมารวมด้วยกันไมับใช่เยเราเรามีมีเป้าหมายต่างกันเป้าหมายของเราคือต้องการที่จะรวมเรื่องราวให้มันอยู่ในมุมในบทเียวแล้วอาจจะไม่เอาทุกคำถามเพราะ่้อดีากันบ้างเพราะหนังสือบางเล่มที่ท่านมาจากพระไตรปิฎกบางทีเขาก็เทียแต่พูอาจจะถึงคำนาว่าได้ท่านมาจากพระไตรปิฎก่ แม่ยังไปบอกราเรว่าคําำบรรทัดนี้มาจากหน้าไหนบทไหนก็มันจะกินเนื้อที่เราจะเสียเวลาคนอ่านไปกว่าลูกให้เขาเขียนคํานํามาจากกันไหนกันหนึ่งที่เก้าหรอะไรอย่างนี้แล้วใครสนใจก็ไปอ่านทั้งเล่มดูเอาเองก็แล้วกันเนี่ยทุกบรรทัดจะมีบอกว่ามาจากเล่มนั้นมาจากอันนี้โอ้มันก็ยาวเหยียดไปเลยใช่ไหมไม่จำเป็นหรอกเพราะว่ามัน มันก็มาจากที่เดียวกันอไถ้าเราไปเอาของคนอื่นมาก็ จ, จำบอกเส้นอเอาของหลวงตามาเอาของพระอาจารย์งั้นมาแล้วก็คนรจะบอกว่าเราเอามาจากที่ไหนหรือเขาอยากจะไปตรวจสอบว่าตรงกับที่เราเอามาหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ในนี้มันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ก็เป็นของคนเดียวกัน ที่สาวที่เป็นคริสนะจ๊ะก็มาจากเพกาแล้วก็ลูกทํารัฟอยู่พิมพ์ออกมาลองอ่านดูก็อาไปอ่านแล้วก็ชอบมากแบบจดโน้ตใหญ่เลยแบบชอบมากรู้สึกจะ่าไกลมากราบกันดีใจที่สุดที่ท่านอาจารย์บุญคู่ท่านลูกต้องรึกว่าเป็นสุดๆดแล้วเพราะท่านอาจารย์บุญคู่ท่านก็เป็นพระระดับนั้นแล้วท่นทั้งมุขท่านชมมาก ก็ได <necessary. S 2> ้ย so, an ินที่ท่านไปเห็นหน้าท่านแต่ไม่มีโอกาสได้ได้ได้กราบหรือพูดกับท่านโดยตรงเพราะส่วนใหญ่แล้วรุ่นบุกเบิกเวลาท่านไปบรรดาท่านก็ไปกับคณะของท่านอะไรเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็เป็นพระที่น้อยเราก็อยู่ส่วนของเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสรู้จักกับท่านแล้วนิสัยของเราก็ไม่ค่อยชอบที่จะที่อยากจะพบใครนะเลมอ ก็เลยไม่ค่อยได้รู้จักใครเท่าไหร่ก็ก็มีในะนวนะท่านอาจารย์ให้พรเนี่ยนะรูปขอให้พรท่านอาจารย์เพื่อให้เราไปสืบมาเล็กไม่ทำเลยลไม่หรอกพอนนี่มันอย่าไปถือเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นการแสดงคล้ายๆว่า นั่นเหมือนก็เป็นการให้กำลังใจกันนี่เองแต่มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้เป็นเหตุมันอาจจะเป็นเชื้อที่จะทําให้มีเหตุเกิดขึ้นมาให้เราเกิดกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติแต่ถ้าเราอยากจะเป็นม้าตีนปลายเราไปอยากจะให้มันไปถึงเนี่ยมันขัดกันแล้วรู้ไมันขัดกันแล้วเพราะพรเจ้าไม่สอนให้เป็นม้าตีนปลายให้บอกว่าอย่าประมาท จงยังประโยชน์ส่วนตอนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ตลมไหเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะหยุดอยู่ตรงไหนแต่ท่านคะพรจากผู้บริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นมงคลยิ่งใช่เป็นมงคลแต่ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ได้ผลขึ้นมาเป็นเป็นเป็นคำสอนถ้าเราแปลภาษาบาลีออกมาจะเป็นคำสอนบอกเหตุให้เรา รู้ว่าการที่เราจะเจริญได้เช่นอภิวาทนาสีนิสะนิจังุทธาปจายโนจตาวุธมาวัฏฐานติอายุวนันูสุขังบาลังนี่ท่านบอกว่าเหตุที่จะทําให้เราได้ประสบกับความสุขความเจริญด้วยอายุวันณสุขังบาะก็คือการ ม, มีอภิวาทเป็นปกติคือเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือแปลความหมายของการให้ก่อนเพื่อเป็นเป็นคําสอนท่านนั่นเอง เห็นแต่ว่าเราเอามาเป็นคาถาเป็นเป็นเหมือนแมจิกสเปลที่พอพอกล่าวออกมาแล้วจะทำให้เราแปลงร่างจาก <c oughs> <c oughs> ปามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องปฏิบัตินั่รับพรอย่างเดียว <c oughs> แต่คนผ่้ก็จะคานเหมือนนะ <c oughs> แต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่เถียงไม่เถียงว่า เพราะครามจริงอ่ะทำบุญไปแล้วจะให้จะรับพรหรือไม่รับพรบุญที่เราทำนั้นมันเป็นผ ล, ล่ะในตัวของมันห ล, ลักมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวลูก่วจว่มามันทาให้จิตใจเราูมากละละเวลาเราปบัการที่ปฏิบัติปฏิบัติมันเป็นอุปทานมันเป็นอุปทานี่อุปทานั่นนกันแค่เพราะว่ายังหลวงตาให้พรท่านอาจารย์ให้พรเนี่ยลูกถือว่ามาจากความบริสุทธิ์ที่สุดละใช่ไหมก็บังก ทำถือนี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอุปทานแล้วแต่ยังอุปทานในไฟดีใจก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีความสุขจากการที่เราได้รับพรนั้นก็ก็ทําแต่เป็นน้ำชโลมใจจากคนที่ทําแล้วไม่รับพรได้นี่ยิ่งเก่งใหญ่เพราะเขาถือว่าเขามีเพอเขาได้พรอยู<ข>่ในใจเขาแล้วค<ข>ือความความ สุขใจที่เราได้ทำความดีนะั้นเช่นเดียวกานทำแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้คนท้อขอบขอกขอบใจเราหรือให้สิ่งอะไรเป็นสิ่งตอบแทนอันนั้นจะได้บุญมากยิ่งเยเพราะว่าเราได้แล้วไงถ้าเราทำแล้วเรายังคิดว่าเราไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้รับพรแสดงว่าเรายังทำไม่ถึงยังยังทำไม่ถึงใจ นี่กก็จะเอาพอดีดิครัยทำไมก่อนรับนับว่าได้พอกี่รอวถ้าอย่งนั้นอ่ดีๆก็อาจจะเทว่าไปเปิดทุกวันก็ได้เปิดเช้าเปิดเย็นเปิดทั้งวันเลยมีจัครับท่านกไม่ท่านก็ม่ท่านก็ไม่ต้อนสอนเราพูดโธพูดโธไปนะสอนให้ฟังรับพรไปอย่างเดียวเนี่ยพอดีมีคนที่เข้าใกล้ตายนะคะท่านใช่ไห อยากิหมอวราพงศ์ไหมคะมเขาก็ให้ช่วยทําที่ของตาให้ญาติท้าวริยหามันก็เป็นเรื่องแปลกคือว่าพี่ชายผู้หมอวราพงศ์เลยคะที่ตายฟังอันนั้นจิตเขาสงบลงได้ในสามวันสุดท้ายก่อนตายก็เปิดอันนี้ตลอดลวันก็ต้องถือว่าเป็นเฉพาะการณีไป<ะ>ถ้าเราฟังแล้วเรามีความสงบมีความสุขมันก็เป็นมืองคลกับแล้วมันก็เป็นผลดีกับเรา แต่ว่า ม, มันมันมันสงบในระดับไหนเท่านั้นเองมันมีหลายระดับด้วยกันสงบในสมาธิหรือสงบในปัญญาสงบในวิมุตติมันมีหลายระดับด้วยกันซึ่งคิดว่าการฟังรับพรอย่างเดียวคงจะไม่ถึงขั้นวิมุตติหรืถึงขั้นปัญญาแต่อาจจะอยู่ในขั้นสมถะในสมาธิเมื่อฟังพระท่านให้พรก็เหมือนฟังพระทั้งเสด็จนมณ แล้วเราก็สวดไปในจจิตเราก็จดจ่อฟังไปก็มีสติอยู่กับการฟังจิตก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นเช่นไม่คิดถึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยจะสงบพอจิตสงบแล้วก็ไม่กังวลกับเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็เป็นอุบายแม่เป็นอุบายได้แต่ไม่ได้เป็นเป็นอุบายอันเดียวที่จะทําให้เราสามารถได้ทําทุกขั้นทุกระดับไป <Okay. c oughs> ถ้าจะเปรียบเทียบกโคงจะเป็นขั้นอนุบาลหรือ <c oughs> ขั้นที่ยังทํา <c oughs> ทำทำด้วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> ต้องให้คนอื่นคอยเด็กอนุบาลต้องมีคอยมีครูมีพี่เลี้ยงคอยควบคุมคอยสอนให้ทำผ่าทําสิ่งต่างๆแต่ถ้าเป็นระดับอุดมศึกษานี้ครูอาจารย์ท่านจะไม่มาคอยจําจี้จำใจเหมือนในสมัยที่เป็นเด็กอนุบาลท่านปล่อยให้เราทำของเราเอง ทำก็เหมือนกันทำมันก็มีขั้นตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปจนถึงขั้นอุดมศึกษาถ้าถึงขั้นอุดมศึกษาแล้วพรเพลินไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่า จ, จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้แล้วกําจัดกิเลสได้หรือเปล่า <c oughs> มันอยู่ตรงนั้นครับอาจารย์ทราบดีครับพวกเราขั้นอนุบาลก็ก็แล้วแต่คนบางคนเขาก็ไม่ได้ขออ ย, อย่างพวกเราคนนี้ <c oughs> เขก็รับรับไปตามมารยายาถ้านั้นเอง เพราะเขามีความพอใจกับการที่เขาได้ทำบุญของเขาแล้วเขาได้ผลของเขาแล้วแต่เรายังมาต้องการทองแถ็งอยู่น <c oughs> ะ ได้ได้ได้ได้บุญจากการให้การฟังจากอะไรแล้วยังขอขออยากจะได้น้ําอีกสักขวดเลื่นได้ผ้าผ้าเชน้าสักขวดหลัากเราไปเติมน้ํามันรถเนี่ยถ้าปั๊มไหนมีแจกผ้าจากน้ําำต้องไปปั๊มนั้นก่อนทั้งทั้งนี้น้ำมันก็เติมเต็มถังเหมือนกันทรับใจนะ ก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธนะเพราะจุดของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันระดับจิตระดับธรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันงนั้นแต่ละคนก็ต้องเป็นไปตามระดับตามฐานะของตนอยู่ไเดียวนะไม่ได้แจกคืนเ ใช่ค่ะ เดินจะได้เราคลิกได้ผ่อนคลาไม่ว่ารนี้ไม่รีร้นาวที่ลที่ต้องรีลงไปเพราะมีภารกิจครับีนเมญ่าลาฟอได้พอเดี๋ยวก็ต้องถ้านั่งรถลงไปเดี๋ยวก็ต้องลงไปเดินข้างหน้าดีใ้เรเดินลงไปดีกว่าทุกวันต้องเดินอยู่เป็นประแล้วร่างกายมันมีพัฟฟีกระป๋องถ้ามันไม่ได้เดินนั่งนอนทุกวันแล้วม <ot arian> <stereotypes> so ันก there ็เสื่อมามัน มันมันมันขัดขัดยังไงไม่ได้ใส่ของอะไรลงไปหรือเปล่ไม่เหมือนแอาการของหัวเข่าดีไหมคะก็ไม่เป็นอะไรหัวเข่าไม่เป็นปวดขาปวดขาเป็นยังไงมันก็เป็นแบบธรรมดาถ้านั่งนานๆก็มีการขัดมีกันมีการเส้นมันยึดมันติดบ้างแต่ถ้าเราพอเราลุกขึ้นมาเดินมายู่มัาบีบมาทํา สายเส้นมันก็หายมั น, เ ป, นเป็นเรื่องของวัยวัยมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องคอยดูแลมันไป <c oughs> <c oughs> สา ม, มนาที่แย่าแม็กซ์กด้ไม่ใช่ครับที่แถววัวใหมาวัวใหม่เพราวขับรดมากันหมืก็เปิดเข้าหมู่คณะก็จะมาทานข้าวกับที่ที่บัง<อ>สะเล่ย์คุณก็เลยจีดรถเข้ามาลงตรงนี้<อ>แล้วรถสู้กปนรับ